นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาคาโตเวเฮปัสสนานังอาคังดัมมังวิชานตัง อาเคพุทธปัจจันนานังดักขในเยนุตรอาเดำเมปสันนานังเราคูปสเมสุเอาเสังเปสันนนานังปุญญาเคเตนุตร อคกาศสมิงดาน낭ดาดาตังอังปุญยังปะวัตถีอังอายุเจวันโนจายโสกิติสุขังบาลังอคกาศะดาตาเมธาวีอากาศามาสมาหิโต เดวพุทโอมนุสวาอาคาปโตะปโมทติตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพารียส่งเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อ ในบรรดาชนบุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศรู้แจ้งอริยสัจสีกล่าวคือเป็นธรรมะที่เลิศคือผู้เลื่อมใสแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศทรงเป็นทักขีเนยบุคคลอันยอดเยี่ยมผู้เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศเป็นธรรมที่ปราศจากราคะโทสะโมหะสงบสุข ผู้เรื่มสายในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นทักษิณายะบุคคลนันยอดเยี่ยมเมื่อให้ทานจิตที่คิดจะให้ทานในท่านผู้เลิศบุญอันเลิศย่อมเจริญคือมีอายุที่เลิศมีวันนะที่เลิศยศที่เลิศเกียรติเกียรติที่เลิศสุขที่เลิศแล้วก็กำลังที่เลิศ ผู้ให้สิ่งที่เลิศทั้งหลายเป็นบัณฑิตเป็นเมธีพรั่งพร้อมด้วยธรรมอันเลิศเป็นเทวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเลิศย่อมประโมทยินดีขโมทนากับคณะครูอาจารย์โรงเรียนบรรจงรัฐทุกๆคนนะทุกๆ ท, ท่านเลยและในวันนี้เป็นวันที่สองแห่งการเข้ารับการอบรม เออผ่านมาวันหนึ่งแล้วเนี่ยมีความรู้สึกกันยังไงรสึกว่าเวลาที่เหลือเหลือนานเหลือเกินหรือว่ารู้สึกว่าเออการมาอบรมในครั้งนี้เราจะเร่งขวนขวายเพียรพยายามในการที่จะเก็บเกี่ยวเอาข้อมูลความรู้จากคณะสงฆ์ซึ่งมีวิริยะอุตสาหะในการมานําน้อมนําคําสอนของพระบรมศาสดา หลักการที่จะเอาไปใช้กับชีวิตจริงๆเพื่อจะนำสู่การเข้าไปใช้หรือนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะชีวิตของคณะครูทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกันกันกบเด็กและเยาวชนของชาติเคยคิดไหมว่าวิชาการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิชาการที่จะสามารถแก้ปัญหากระแสชีวิตของเรา และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้จริงเคยคิดอย่างนั้นหรือไม่รือเราถูกวัฒนธรรมต่างชาติต่างศาสนาหรือข้อมูลทางโลกครอบงำจิตใจเราจ น, นไม่เห็นความสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วก็อลองถามตัวเองดูนิดนึงเนดะนี้เอาละเราอาจจะมีข้อมูลในพระธรรมคสอนของพระบรมศาสดายังไม่มาก แต่ถ้าเราตั้งใจในการที่จะไฝรู้ฝึกฝนอบรมเพียรพยายามในการที่ต้องการที่จะรับเห็นว่าสิ่งที่คณะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่จะนํามาเสนอให้กับเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทําไมจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาดับทุกข์เป็นวิชาที่แก้ปัญหาได้จริง แต่วิชาของทางโลกที่เราเรียนกันมานั้ น, นเขาเรียกเป็นวิชาหาข้าวกินเป็นวิชาหาข้าวกินนะสรุปก็คือว่าถ้าบอกว่าหาข้าวกินก็คือหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายาแล้วก็หาที่อยู่อาศัยนี่นสรุปประเด็น ต, ตรงนั้นเลเาเรียกวิชาหาปัจจัยสี่หาข้าวกิน แต่วิชาการที่พระบรมศา ส, สดาทรงสอนผู้ได้เจ้าสอนเริ่มตั้งแต่การที่เราจะเดินหรือจะคิดอย่างไรที่จะให้เป็นไปกับยานปัญญาเป็น ต, ต้นเหล่านี้เมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของพระรัตนตรยัยถามว่าพอพูดถึงในเรื่องของพระรัตนตรัยเนี่ยก็พูดถึงในลักษณะเราในฐานะถ้าเป็นเครื่องหัดนี่เขาเรียกว่าเป็นอุบาสกและอุบาสิกา ทีนี้ความเป็นอุบาสกและอุบาสิกาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็ต้องมาพิจารณาใถ่ครวนในว่าเอออุบาสกบาสิกาเนี่ยผู้มีปัญญาบางคนพิจารณาเห็นอนาคตภัยที่จะเกิดมีต่อชีวิตเป็นต้นว่าความตายจะมาถึงเราในยาบทใดบทหนึ่งก็ได้ใช่ไหมระอ็เคยคิดแบบนี้ไหม ถ้าเรามาเข้าใจพระรัตนตรัยพอสมควรแล้วเนี่ยเข้าใจที่บอกว่าหนึ่งต่อไปเราจะถือพระรัตนตรัยด้วยความจะขจัดความการปราศจากปัญญาเราจะไม่ถือพระรัตนาตรัยแบบปราศจากปัญญาเพราะคนที่ถือหรือถึงพระรัตนตรัยโดยปราศจากปัญญาไม่ได้รู้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เข้าใจในคุณของพระธรรมไม่รู้ไม่เข้าใจในคุณของปริยสง ไม่รู้แลวไม่เข้าใจว่าปฏิบัติอย่างไรต่อพระรัตนตรัยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการถือสรานคมโดยการปราศจากปัญญาคือความรู้ความเข้าใจทีนี้เมื่อวานพูดถึงในเรื่องการถึงสาคมเนี่ยการเข้าถึงว่าเออจิตของเราท่านทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมกับการที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่น ในคุณของพระราตนตรยัยแล้วก็มีปัญญาในการที่จะรู้และเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์จิตเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะขจัดจิตที่มันเป็นบาปเช่นจิตที่มันมีโทษเนี่ยจิตที่มันแข็งกระด้างจิตที่มันหดหูท้อถอยจิตที่มันเสื่องซึมจิตที่มันลังเลสงสยัย จิตที่มันมีความหลงจิตที่ไม่มีศรัทธาจิตที่ไม่มีความเพียรจิตที่หลงลืมสติแล้วก็จิตที่ฟุ้งซ่านตลอดถึงจิตที่ไม่น้อมในการที่จะรับคำสอนของพระรัตนตรัยเนี่ยอุราชจิตุบาที่เป็นไปกับกุศลมีศรัทธาเป็นต้นเขาก็จะขจัดอย่างนี้แหละขจัดจิตที่ไม่มีความ เข้าใจในคุณของพระรัตนตรยัยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยบอกว่าพระเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลที่ปฏิบัติตามนั้นเข้าถึงความจริงเป็นต้นได้ทีนี้เมื่อวานก็พูดถึงว่า พุทธังสรารนังขฉามิที่บอกว่าตับปริยานาสรารนาคมบอกว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระริยสงเป็นไปในเบื้องหน้าคือเป็นคติคติในที่นั้นก็คือเป็นทางดำเนินเป็นทางดำเนินเช่นกระแสชีวิตของเราไม่ว่าจะไปนะที่ไหนหรือจะทำอะไรเช่น เราจะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเราจะปฏิบัติต่อพ่อแม่เราก็จะมีพราตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าก็จะมีพระโตวาสของพระศาสดานั่นแหละมาคอยกระตุ้นเตือนว่าเราพึงปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างไรพระโตวาสก็จะบอกว่าเออท่านเลี้ยงเรามานะกระแสชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาตลอดเลยนะ แล้วพระเจ้าก็กระตุ้นเตือนจากพุทธโอวาสระชมไว้ในใจบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นจงเลี้ยงท่านตอบทีนี้ว่าบอกว่าเลี้ยงท่านตอบเนี่ยแปลว่าเลี้ยงแบบไหนพุทธโอวาสก็บอกว่าเออต้องมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีเ อ, อืออาทรกับพ่อแม่ในยามที่ท่านปกติแบบจับจิตจับใจโดยไม่เป็นตันหาราคะสอง ในยามที่พ่อแม่ประสบความทุกข์เกิดเจ็บป่วยก็ต้องมีความกรุณาสงสารคิดปรารถนาจะช่วยให้ท่านพ้นจากวัฏทุกข์แล้วก็เพียรพยายามขวนขวายด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจที่จริงขับเน้นด้วยใจก็คือดัมลีในการที่จะช่วยให้ท่านจะพ้นจากความทุกข์อย่าลืมนะความดัมลีในใจเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ เขาแปลว่าดํมลีชอบดํมลีในการที่เมตตาเห็นไหมไอตัวเมตตาเนี่ยมันดํมลีในใจก่อนเนี่ยแต่เมตตามันไปออกทางไหนมาออกทางกายในการที่กายกรรมที่ไปช่วยเหลือท่านหยิบยื่นอาหารให้ท่านนวดท่านจูงแขนท่านตักน้ำให้ท่าน ปัดกวาดเช็ดถูที่นอนแต่ทำด้วยเมตตากายกรรมเห็นไหมคือกายที่แสดงออกกับคุณพ่อคุณแม่ก็กับกายทำด้วยความรักความปรารถนาดีแต่ความรักมันอยู่ที่ใจเพราะความรักอยู่ที่ใจนั่นแหละกายก็เลยเกื้อนหนุนในการปฏิพฤติปฏิบัติดีต่อคุณพ่อคุณแม่นี่ไงพุทธโอวาทเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่ามีภารตนาไตรเป็นทางดาเนิน มีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้านึกถึงพุทธดำหลัดพระเจ้าบอกว่าเมตตากายกรรมใช่ไหม <S <S แล้วก็ น, นําเมตตานั่นแหละมาเกิดในใจจริงๆโดยการดําริชอบดําหลี่โดยการไม่กโกรธดําหลี่ในการที่รักแม่รักพ่อแล้วดําริในการที่ไม่เบียดเบียนในกรุณาในขณะที่ท่านประสบความทุกข์หรือดําริในกรณีที่ ท่านประสบความสุขความเจริญก็ดาริในการที่ยินดีแสดงความยินดีกับท่านที่ท่านสุขภาพแข็งแรงหรือสภาพจิตท่านดีขึ้นตรงนี้ก็เกื่อนหนุนเห็นไหมมันจะออกมาทางกายออกมาทางวาจาและออกมาทางใจเนี่ยสรุปแล้วก็คือสภาพจิตใจเนี่ยมันดำริถูกต้องก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยการจะดำลิถูกต้องไม่ได้เลยถ้าปัญญา คือความรู้ความเข้าใจในพุทธโอวาทไม่เด่นชัดมองเห็นไหมเห็นไมพุทธโอวาทกระตุ้นที่ใจกลายเป็นพระธรรมที่เกิดในใจเราพระธรรมที่เกิดในใจของท่านทั้งหลายนั่นแหละตอนนั้นแปลว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังกระตุ้นตนเองพัฒนาตนเองฝึกฝนตนเองจากความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึก ก็มีพระธรรมนั่นแหละมันไหลอยู่ในกระแสใจเริ่มฝึกตนเองจากคนที่ไม่มีเมตตากลายเป็นบุคคลที่มีเมตตานี่กระบวนการของการฝึกเริ่มต้นหรื อ, อยังเริ่มหรื อ, อยังเริ่มแล้วกระบวนการพัฒนาเริ่มหรื อ, อยังเริ่มแล้วแต่ว่าต้องเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจพุทธโอวาทถ้าไม่ฟังพุทธโอวาทให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เราจะสามารถนำํำเมตตาเนี่ยมาเกิดขึ้นในใจได้ไหมมันก็ดําหลี่ผิดใช่ไหมถ้าทำดำหลี่ผิดมันจะดําหลี่ในการที่จะไปโกรธนะแม่นะเช่นโอ้โหแม่เนี่ยยุ่มากแล้วอะไรก็ไม่รู้เรื่องมากเลยเกินสมมตินี่นะจะดําำลี่ผิดกับแม่ก็กลายเป็นว่าพระธรรมพุทธโอวาทก็ไม่ได้มาอยู่ที่ใจเมื่อไม่ได้อยู่ที่ใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางสีหน้าก็หน้าตาบึง้งตึงหน้านิ้วอคิ้วขมวดใช่ไหม เคยไหมเคยหน้านิ้วคิ้วขมวดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกเอาคาว่าหน้านิา้ยคิ้วขมวดมันเกิดจากที่ไหนก่อนจิตมันคุนก่อนจิตมันโกรธก่อนใช่ไหะพอเกิดจิตที่ไม่เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมาหน้าก็นิ้วคิ้วก็ขมวดพอหน้านิ้วคิ้วขมวดอะไรตามมาอีกเริ่มกล่าววาจาที่ไม่เหมาะสมหรือยังเริ่มกล่าววาจาที่ไม่เหมาะสมตอนนั้นหน้าเริ่มเป็นยังไง ตาเริ่มเป็นยังไงตาเริ่มทะลุทะมึงทึงหรือยังตาก็เริ่มจ้องมีเมตตามีมีปียะจักษุไหมเมตตาที่มองแม่มองด้วยความรักไหมมองเหมือนเสือจะกินใช่ไหมเหมือนจะกินกวางใช่ไหมล่ะเห็นไหมมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ฝึกตนเองก็คือคนดุดีๆเนี่ยก็คือคนดุดีๆนี่ไงแล้ว เห็นไหมว่ากรณีพุทธโอวาจากพระรัตนตรัยนี่แหละนำสู่จิตใจโดยการเอาพระธรรมมาประชุมไว้ในกระแสะชีวิตได้จริงแล้วก็ผลิตออกมาทางด้านกายที่เป็นไปกับเมตตาทีนี้เวลาพูดกับแม่หรือพูดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะจิตนั้นชุ่มด้วยเมตตามีปัญญาเป็นตัวผักใส มีตัวดำรีชอบนั่นแหละเป็นตัวคิดก็เลยมีเมตตาวจีกรรมพูดกับแม่ก็พูดด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีแม่กินข้าวหรื อ, อยังใช่ไหมแม่อาบน้ำหรื อ, อยังไม่ใช่แม่กินข้าวหรือยังอย่า ง, างทำไมไม่กินเนี่ทำอะไรอยู่มันคนละเสียงกันเลยนะเนี่ยตกลงจะกินแล้วไม่กินนี่หนูตั้งไว้นานแล้วนะเนี่ย จนเย็นหมดแล้วเห็นไหมน้แมลงวันเริ่มตอมเลยอันนี้แปลว่าอะไรมีเมตตาวจีกรรมไหยไม่มีแต่พูดเหมือนดีนะจะไหมพูดแต่ว่าเสียงมียอมคนหนึ่งนะเออพระเขาไปบินทบาต ท, ที่กรุงเทพคือยอมเนี่ยปกติจะชอบเอาเงินใส่บาทพระแต่แต่ลูกก็ได้รับข้อมูลบอกว่าห้ามเอาเงินใส่บาทพระ แต่ว่าแกก็ไม่มีเมตตาวจียกรรมกับคุณแม่วันนั้นออมาก็วินาบาตพอคือแม่ก็พยายามเผลอลูกเมื่อไหร่ก็จะหยิบเอาสตังใส่บาเทพระเลยเพราะแกมีความรู้สึกว่าไม่ได้พระก็ต้องกินต้องใช้อ่ะนี่ลูกก็ไม่ยอมให้ข้อมูลได้จะบอกแม่แบบประเภทที่คนโทรสารเนะยจะคือบอกแบบรุนแรงเลยอ่ะพอเบสเสร็จปุ๊บ พอแกยาใส่เอามาเขาบอโอ้โยอมไม่ได้เนี่ยพระรับปัจจัยรับเงินไม่ได้มันผิดศีลขาดบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่ลูกแกกําลังทําอาหารอยู่ได้ยินโอ้โหเดินมาตรงๆแม่นี่เป็นอย่างนี้แหละท่านบอกทอะไรก็ไม่รู้ไม่ฟังแล้วนึกโอ้โหคือบอกอยอมทําไมไม่คุยกับคุณแม่ดีๆคุยดีๆไม่รู้เรื่องท่านมันต้องคุยแบบนี้แหละบอกก็มามองใส่พ้าก็อย่างนั้นนึกในใจเห็นไหมเนี่ย อันนี้แปลว่าไม่เว้นไม่กระทั่งพระแล้วถ้าใครไปขวางโทสะเนี่ยมันไปหมดเลยนะแต่เนี่ยนะแปลว่าหนึ่งใช่ไหมว่าหนึ่งคู่กรณีจริงๆคือแม่แต่พอพระไปห้ามหันจากคู่กรณีแม่มาเป็นพระมาก็เลยทําไงที่ว่าก็เลยบอกว่าพอเยอนเย็นสักพักนึงก็แลว้วไอ้ยอมเอายี่ดีไหมเดี๋ยมาอธิบายให้ให้ให้โยมเขาฟังเออท่านลองอธิบายดูที่เผื่อที่จะได้ผล บอกยอมเย็นเย็นนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยเ อ, อ่ยยอมนั่งนั่งตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวอามาจะอธิบายให้ยมฟังแต่ยมต้องนั่งฟังนะอ้าวได้เขาว่างั้นนะมาก็พูดไปยอมนะเนี่ยจริงๆลูกเนี่หวังดีแต่วิธีการยังต้องแก้ไข <c oughs> เข้าใจใช่ไหมไอการหวังดีจริงแต่วิธีการยังต้องแก้ไขก็คือบอกว่าบอกเหตุและผลว่าทําไมอ พโยอมไม่ยอมบอกเหตุผลยอมใช้ระบบบังคับคือแม่เนี่ยจกไม่ยอมหลอกถ้าลูกไปบังคับแต่ต้องบอกที่บอกคุณแม่ที่บอกเหตุผลท่านก็เลยบอกว่าเหตุผลที่พระรับไม่ได้เพราะแต่ทําไมยุคนี้จึงมีเยอะก็บอกเหตุผลให้แกว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไป คําสอนของพระพุทธเจ้าตัวนี้ก็ถูกเลอะเรือนชาวบ้านหรือประชาชนก็ไม่ค่อยได้เอาใจใสพ่พระเห็นว่าเอาให้พระใช้กันเองให้พระดําดเนินการชีวิตเองก็ เ, เงินไปให้ให้ให้พระนักเข้านัก เ, เข้าก็กลายเป็นผลเสียตามมาทาให้พระต้องเดือดร้อนพระก็ต้องขวนขวายเองนักเข้านักเข้าก็ยอมก็มีความรู้สึกว่าเออพระกับเราก็ไม่ต่างกันแล้วเราไม่ต้องไป เออ อ, ทอาทรพระไม่ต้องไปใส่บาทไม่ต้องไปอะไรก็ได้ให้เงินไปเดี๋ยวพระไปเสื้อหานยีดเด็กก็ได้ให้เงินไปเดี๋ยวพระไปหาซื้อรถใช้ก็ได้ให้เงินไปเดี๋ยวพระไปทําอะไรเองเบีดเสร็จเราก็สบายปัดภาระไปอยแบบนี้นะเข้านะเข้าการยึดโยงกันในการเจริญกุศลก็ขาดตอนไปก็เลยเล่าเดี๋ยวฟังเขาโอ้อ๋อเป็นอย่างนี้อ้าวเราจะทำไงท่านมันมาอย่างนี้แล้วก็บอกเออโยมก็เนี่ยจากจุดเล็กๆเนี่แหละก็ช่วยกันแก้ไขเราทําให้ถูก ใครจะทําอย่างไรอย่าไปตําหนิกันนะเรื่องนี้อย่าไปตาหนิกันพอถึงตําหนิมันจะ ม, มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจให้ถูกและปฏิบัติให้เป็นอย่างไงทีนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากพุทธโอวาสนี่แหละที่ประชุมอยู่ในกระแสะของความคิดที่ถูกต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เรียกเป็สัมมาทิฏฐิ เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเบ็เสร็จแล้วเมื่อเรารับข้อมูลว่าเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเ อ, อื้อทอนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเมตตาเป็นตัวคัดสรรอย่างไรทีนี้ก็เริ่มมาตัวความเห็นถูกนี่แหละก็จะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการตํำริีหมายการคิดแต่ละครั้งเออถ้าคิดเบียดเบียนเขาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เมตตาหรือถ้าคิดเกียพยาบาทคนอื่นเขาอันนี้ไม่มีเมตตา หรือถ้าคิดเกี่ยวข้องกันในเรื่องของกามาคุณไปยึดติดทั้งหลายเอออย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่น้อมไปในเนคขมมะไม่น้อมไปในการเจริญกุศลแล้วหรือถ้าหากว่าคิดไปในลักษณะเบียดเบียนเขานี่ขาดจรุณาเป็นต้นบอกฉะนั้นความดารินี่สําคัญมากถ้าดําริผิดเมตตาจะไม่เกิดเอ๊ออะไรนะเป็นถึงเป็นปัจจัยใงการดรําริได้ถูกต้องให้สังเกตดูนะว่า การมองจุดเด่นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เกิดเมตตาได้ง่ายแต่ถ้ามองจุดด้อยของคนทั่วๆไปจะเป็นปัจจัยเกิดโทสะและหงุดหงิดได้ง่ายจริงไหมเอาเรามองดูที่นึนกถึงพวกเรากันเองเนี่ยถ้าคิดถึงจุดด้อยเราจะเครียดไหมยอย่างยกตัวอย่างเช่นนะลองดำดิดูนะทำไม ทำไมใส่เสื้อแบบนี้มาทำไมต้องเอารูปกระต่ายติดไว้ที่หน้าเพราะอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับคนเนี่ยกระต่ายเกี่ยวข้องอะไรกับคนสมมติอย่นี้นะมันเครียดเลยนะแค่คิดอย่างเงี้ยเครียดนะเออล้วเห็นไหมว่าหรือเอ๊ะทำไมต้องใส่เสื้อขาวๆทำไมใส่เสื้ออื่นสีอื่นแล้วจเจริญกุศลไม่ได้ไงอย่างเงี้ยนะมันคิดอย่างเงี้ยนะเครียดไหมแบบนี้เครียดมหมไมจะเครียดทันทีนะ เออทำไมต้องให้นั่งกับพื้นเนี่ยทำไมเวลาฉันนั่งเก้าอี้แล้วฉันเจริญกุศลไม่ได้หรือไงทำไมต้องมานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยคิดคิดมุมที่มันไม่ดีเดี๋ยมันเครียดหมดแลย้ยนี่งไงมองจุดด้อยสมมติว่าเอามามานั่งแสดงธรรมเนไม่ใช่สมมติเรื่องจริงเนี่ยมาเห็นพวกเราตาลอยๆเนี่ยทำไมจะนั่งมันสดชื่นบ้างไม่ได้หรือไงอย่างเงี้ยมาก็เครียด น, นะตอนนี้ใช่ไหมล่ะ ทำไมนั่งคล้ายๆอย่างผิดหวังมาตั้งห้าปีอะไรเงรรี้ยสูงกว่นี้นะเนี่ยมันก็เครียดโท่สามันก็เกิดนะไอ้คิดแบบเนี้ยแค่ไม่ใช่เขาเรียกมองอะไรก็เห็นจุดด้อยได้หมดคือจุดเด่นมันไม่เกิดแล้วเมตตามันไม่เดินลักษณะอย่างนี้ครั้งนี้เขาเรียกว่าดำริผิดแล้วเมตตาไม่เกิดต้องดำริถถกว่าดำริในกรณีแห่งการที่จะมีความรัก และดํำริให้กรุณายัางได้นะยกตัวอย่างเช่ น, นเห็นพวกเรานั่งกันนานๆเนี่ยพอมาดำํำริโอ้หน้าการุณาเนี่เนี่ยต้องมานั่งเอาขาโคเข้าแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นนี่ยโอ้อึดอัดหน้าสงสารเลยเกินหน้าการุณาใช่ไหมก็พอหน้าการุณาอย่างเดียวก็น้อมบอกขอให้อย่าปวดเลยขอให้นั่ง แบบนี้แล้วจงจงนั่งได้ทนเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการฟังพุทธโอวาทและเข้าใจคําสอนนะไงนะอันนี้เขาเห็นใจแล้วก็น้อมใจปรารถนาบางทีก็ไม่ใช่อยู่ในใจอย่างเดียวที่นี้พูดออกมานะ้อขอให้ทุกคนอดทนนะการนั่งแบบนี้ใหม่ๆก็ฝึกแบบนี้แหละเหมือนพระบวทใหม่ๆอ่ะ นั่งลําบากนะนั่งกับพื้นเนี่ยแต่ลองดีให้ท่านนั่งพอเพียบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงท่านนั่งสบายเลยพอฝึกแล้วมันเรื่องสบายแต่ตอนใหม่ๆมันอาจจะไม่เคยนะอดทนไปหน่อยนะนี่พูดด้วยกรุณาแต่เป้าหมายเพื่อให้พัฒนาเห็นไหมพัฒนากุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยการการตาบริลักษณะนี้มันจะได้ความการุณาหรือเวลาแล้นั่งนั่งไปเสร็จปุ๊บเห็นพวกเรากำลังนั่งง่อยๆหน้าตาเศ้าๆเนี่ย เอามาก็ส่งการุณาใช่ไหมก็พูดให้กําลังใจบอกว่าเอออย่าไปปล่อยให้มันเงาเหงาเศร้าเลยเพราะถ้าจิตที่เงาเหงาเศร้าซ้อยทั้งหลายเนี่ยมันจะปิดข้อมูลคําสอนพอปิดข้อมูลคําสอนประโยชน์กล่าวคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราไม่ได้เองนะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตาวาจีกรรมเออนี่เขาเรียกกรุณาวาจีกรรมพูดด้วยกรุณาแต่ถ้าพูดด้วยความรักก็มีความรักปรารถนาดีใช่ไหม ปรารถนานี่ก็คือก็พูดให้กำลังใจแต่มีเมตตาเป็นตัวเกิดแต่ความเข้าใจนั่นแหละเห็นไหมว่าบุญเนี่ยไอตัวพุทธโอวาสเนี่ยแปลว่าอะไรเกิดในใจท่านเรียบร้อยแล้วทุกคำพูดที่พูดออกมาเป็นการฝึกไหมเป็นการพัฒนาไหมเป็นการฝึกเป็นการพัฒนาหรือที่เราเรียกว่าภาวนายอมสับเดียวกันพัฒนาภาวนา อันเดียวกันเลยนะหรือการเจริญสิกขาสามมีศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยแต่เวลาเรามาเรียกว่าภาวนาบอกไปเจริญภาวนาเธอเห็นไหมภาวนาเราไปดันไปใช้ออขอไปไม่ใช่ดันนี่ไม่ดีภาวนาเนี่ยเราไปใช้แต่เฉพาะไปนั่งหลับตาไงแต่วิธีมองวิธีคิดแล้วตัวกุศลคือเมตตาเนี่ยมันเจริญขึ้นมันเจริญขึ้น ยิ่งเจริญขึ้นได้รับเหตุปัจจั ย, ยเจริญขึ้นยิ่งไข้ควรพินิษฐ์พิจารณาเมตตาความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนก็เกิดอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเขาเรียกอะไรเขาเรียกภาวนาหรือเรียกว่าพัฒนาหรือเรียกว่าตอนนี้กําลังระดมการฝึกฝึกตนเองมองเห็นยังจริงจริงตอนที่เรานั่งกันอยู่แล้วฟังเนี่ยตอนนี้กําลังฝึกโดยเองอยู่ไหม พัฒนาไหมนี่เชื่อภาวนาไหมอันเดียวกันนั่นแหละสัพ์เดียวกันนั่นแหละแต่พอมาแยกแยกแยกหรือไปพูดอย่างเอาเดี๋ยวนี้เขาเลยไปเรียกว่าเอาพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนเห็นไหมนู่นมันไปพัฒนาวัตถุนู่นน่ะพัฒนาวัตถุหรือโครงการอะไรนะพัฒนาคนไทยไล้พุงเคยฟังไหม ต้องการจะให้คนไทยไล้พุงขับเน้นที่รูปประทัหรือขับเน้นที่นามารทัรูปไปขัดเน้นตัวรูปประทนันยรูปร่างกายไงกลัวกันเหลือเกินกลัวการมีพุงกลัวพุงมันจะยื่นออกมาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้สังเกตตัวนะวิธีการทางโลกเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องการอ้วนเนี่ยเขาไปออกกําลังกายแล้วก็กินน้อย ใช่ไหมล้วแล้วเขาเอาความต้องการของเขาย้ายที่จากอาหารเอาความต้องการไปไปไ ป, ไปยินดีกับสิ่งอื่นเช่นกลุ่มนางงามนางแบบนี่นะพอไปเนะี่ยเวลาต้องการอยากจะสวยเนี่ยเขาพยายามจะกินน้อยออกกำลังกายกินน้อยนอนมากๆเลยเขาเนี่ยทีนี้แต่เขาเอาความต้องการของเขาไปบอกว่า คนจะได้รักคนเขาจะได้มีชื่อเสียงเห็นไหมความต้องการมันย้ายจากอาหารไปแต่ไปเอาความต้องการไปอยู่ที่เราจะได้สวยคนจะได้ดูเราเยอะๆชื่อเสียงเราจะได้โด่งดังแต่คนจะได้รู้จักไปที่ไหนจะได้มีคนชื่นชอบสรุปแล้วเป็นการเขาคุมความอยากได้ไหมไม่ได้ได้ที่ไหนเราเปลี่ยนความอยากย้ายย้ายความอยากแค่นั้นเองจากการไม่อยากกินก็กลายเป็นอยากสวย ไม่อยากสวยก็เป็นการอยากมีชื่อเสียงไม่อยากมันเปลี่ยนความอยากแค่นั้นเองสรุปแล้วมนุษย์เนี่ยคุมความอยากไม่เป็นเอาสิ้องสังเกตดูทีเราใช้ระบบความอยากเช่น เ, เราทํำยังไงนะให้คนแข็งแรงก็เพิ่มความอยากให้คนไปออกกําลังกายใช่ไหมลูกไปออกกําลังกายมันก็เออเขาเรียกย้ายตําแหน่งย้ายที่ย้ายความอยาก ทำให้ความอยากมันเคลื่อนตัวย้ายตัวแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาได้ยากขึ้นเอาอย่างวิธีการสอนนักเรียนของเราเราเห็นนักเรียนง่วงเราทาไงดิอยากให้นักเรียนหายง่วงก็ให้ลุกขึ้นใช่ไหมออกกําลังกายแล้วก็ใช้ความอยากให้ความอยากกันอยู่อย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยไปสอนบอกว่าเออจะถอนในความรู้สึกมันง่วงมันเครียดยังไง คิดยังไงความง่วงมันถึงจะไม่เกิดใช่ไหมล่ะ เ, เราไม่ได้สอนวิธีการจัดการกับมันในทางด้านของนมามธรรมแล้วพัฒนาความคิดเนี่ยพัฒนาศักยภาพของความคิดเนี่ยเราไม่ได้ไปเข้าใจ ม, มุมตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราศึกษาคําสอนไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นมุมว่าโอ้มนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เองเราจะมองเห็นหีือยังยากไหมเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่านั้นแหละเขาเรียกว่า คม น, นะก็คือการเข้าไปคบเข้าไปใกล้และการยังหมายถึงการรู้การเข้าใจนะฮะสารณาคมในที่นี้ก็หมายถึงอะไรดีเนี่ยสารณาคมนะสารณาคมเนี่ยการถึงสารณาคมจิตหมายถึงจิตคือความคิดที่เกิดพร้อมด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเลื่อมใสและความเคารพในพระธรรตนิยตร เห็นไหมพอเกิดความพอจิตท <sage> <you> ี่เกิดความเชื่อมั่นเกิดความเคารพในพระรัตนตรัยเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสใสในพระสงฆ์ไอ้นี้พอเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นทางดําเนินคืออะไรคือศรัทธาคือความเชื่อมั่น และความเคารพต่อพระราตนตรัยเนี่ยไปทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่กําจัดความลังเลสงสัยเห็นไหมเออไปกําจัดเลยนี่กลุ่มนามาทำมันไม่ใช่มีแค่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นเท่านั้นมันยังมีกลุ่มอื่นด้วยกลุ่มสติคือความระลึกมั่นในคุณของพระราตนตรัยแล้วก็สติคือการระลึกรักษาจิตรักษาความดีเข้าไว้ ก็เลยไปกำจัดความหลงด้วยนะความความความหลงความระลึกไม่ได้ปัญญาก็เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณของพระเจ้ามากขึ้นคุณของพระธรรมมากขึ้นคุณของพระสงฆ์มากขึ้นไอความหลงความไม่รู้จะถูกทำลายไปมากขึ้นไหมความหลงก็ถูกทำลายความไม่รู้ก็ถูกทำลายศรัทธาเกิดความลังเลสงสัยก็ถูกทำลายใช่ไหม เออจริงๆเราไม่ได้เพิ่มตัวนี้เข้าไปในใจเราเท่านั้นเองมันเหมือน น, นน้ำพีโยมเนี่ยในแก้วเนี่ยเนี่ยแก้วใบนี้ถ้ามันมีน้ำเสียเราจะทำยังไงทำไงเทใช่ไหมก็เททิ้งแต่มันต้องการให้มีน้ำทำไงดีเอาอะไรใส่แทน นึกว่าน้ำลายใส่ไปแทนเอาน้ำดีนี่แหละเอามาใส่ใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำดีน้ำเสียทำไงตาเรามันคือตาเรามีปัญหาเคยเห็นคนมีตามีปัญหามองไม่ออกว่าน้ำดีน้ำเสียไหยถ้าไม่รู้ทำยังไงเราจะไปแก้ไขที่น้ำหรือแก้ไขที่ตาแก้ไขที่ตาก็ตามเสีย เออก็แก้ไขการที่จะทําให้ตาดีเนี่ยต้องไปหาใครไปหาใครดีไปหาหมอคือตามันฝ้าตามันฟางตามันมองไม่เห็นเนี่ยต้องไปหาหมอไปหาหมอฟันหรือหาหมอตาเออไปหาหมอตาใช่ไหมล่ะเออถ้าพูดเอ๊ <c oughs> พูดไปพูดมามาพูดกับเด็กหรือพูดกับครูเนี่ก็คือไปหาหมอตาใช่ไหม ไปหาหมอตาให้หมอเขารักษาพอรักษาเบสเสร็จแล้วเนี่ยพอตาเกิดมองเห็นแยกแยะสีได้แยกแยะน้ําดีน้ําเสียได้เบเสร็จกลับมาชื่นใจไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปไปกังวลแล้วเราก็แยกคัดสรรได้แม้ชั้นใดตอนนี้ตอนนี้ก็คือจิตดีนะจิตที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระตรัตนตรัยกับจิตที่ไม่มีศรัทธาเรายังแยกไม่ออก จิตที่มีความเพียรประคับประคองใจเป็นปับกุศลกับความเพียรแบบผิดๆเนี่ยเราก็ยังแยกไม่ออกจิตที่มีสติคือการรักษาความรักษากุศลคือความดีในใจเขาไว้แล้วก็รักษาคุณของพระรัตนตรัยให้ไว้ในใจเราก็ยังแยกไม่ออกนะแล้วก็จิตฟุ่งร้านกับจิตที่มีสมาธินี่เราพอจะแยกกันออกใช่ไหมแยกออกไม่ออก จิตฟุง้งซ่านกับจิตที่มีสมาธิแยกออกไหมออกไม่ออกแล้วจิตที่เป็นมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิแยกออกหรือไม่ออกออกหรือไม่ออกตามนี้นะไปนั่งดูละครโอ้โหตื่นเต้นมากเรื่องนี้แ ล, แล้วจิตเราก็ตั้งมั่นจดจ่อตอนนั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิออกห็นเขากาลังฆ่ากันอยู่โหสนุกมากแต่ตื่นเต้นมากตอนนั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิ มิจฉาสมาธิไปเอาไปจ้องดูทีเนี้ยหูอ่อาหารนี้เราชอบมากเลยอะดูอาหารแล้วจิตก็จ้องอยู่เมื่อไรจะเสร็จสักทีแล้วก็จ้องบอกเราไปซื้ออาหารต้งเกตบ ด, ด้วยไหมใจแล้วก็จดจอ่อถือสตังค์คอยจ่ายอยู่ในจ้องมองที่กระทะน้ํามันอย่างเงเนอะมองเขากาลังผัดผั ด, ผ, ดผัดอยู่จ้องตาเป็นมันเลยเนี้ยนะจิตเป็นสมาธิจิตก็ลุ้นลุ้นลุ้นอยู่เลยตอนนั้นเป็นสมาสมาธิหรือวิชาสมาธิเพราะอะไรถึงเรียกมิชาสมาธิ พอนเป็นไปกับความโลภเป็นไปความต้องการใช่ไหมละ่ะคนที่เขาจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยเขาต้องใช้เวลาจ้องนานไหมนานนะคนตกเบ็ดเนี่ยเคยไหมอะหย่อนเบ็ดลงในน้ำปุ๊บเนี่ยตาก็จ้องดูไอ้ทุ่นนั้นเนี่ยพอเริ่ม ย, ยึกยึกยึกนั่งลุ้นในใจเสร็จแน่เสร็จแน่ เ, แนนเนี่ยสมาธิมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคนบางคนนี่ยไปฆ่าคนเนี่ยโยม ใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยนะเขาไปแอบหลบตรงนั้นแล้วคอยจ้องอยู่งั้นเลยจิตก็ตั้งมั่นที่เป้าหมายมาเดินมาจุดนี้มาอะไรเขาจะยิงเนี่ยนั่นไงสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรสมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเห็นไหมเนี่ยสมาธิในทางที่เสียก็มีเราสอนชอบฝึกสมาธิกันเนี่ยเราไม่ค่อยแยกกันเนี่ยอะไรเป็นสมาสมาธิอะไรเป็นมิจฉาสมาธิเจ้าไหมลู นี่ไงถ้าตาคือปัญญามันไม่เกิดมันแยกไม่ออกฉะนั้นการเข้ามารับฟังพุทธโอวาทนี่แหละเราจะได้รู้จักคําว่านี้เป็นมิจฉ า, า, า, า, าสมาธินี่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเขาตั้งกับคุณดีความดีเขาตั้งไว้กับพภารตะนาตรายัยก็มีพุทธโอวาสกากับอยู่มีคําสอนกํากับอยู่ในใจการระลึกที่ลมหายใจเข้าออกอ่ะเป็นสัมมาสมาธิก็ได้เป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เข้าใจว่า เนี่ยขนาดดูลมนี่นะหายใจเข้าออกเนี่ยลมหายใจเข้าออกนี่แหละตั้งมั่นผิดยังได้เลยเพราะตอนนั้นไม่ได้เป็นไปกับยานปัญญาก็ได้เป็นการตั้งแบบผิดผิดก็ได้ไม่พูดไปโดยละเอียดเลยเยอะเลยเดี๋ยวเอผิดได้ไงถ้างั้นก็ยุ่งเลยแต่เนี้ยดูลมไม่ได้เลยใช่ไหมถามว่าพวกลือีภายนอกาศาสนาของพระชินนาเจ้าเนี่ย เขาได้สมาธิได้สมาบัติกันดีๆแั้งนั้นเลยทำไมพ้นทุกข์ไม่ได้เห็นไหมบางทีมันก็เป๋ไปเลยเพราะไม่มีปัญญาอคอยคัดสรรให้ดีๆเนี่ยตรงนี้ก็นี่ไงที่เรามาศึกษาคำสอนคราวนี้ก็คือว่ามาแยกว่าเวลาศรัทธาเกิดขึ้น เ, เชื่อมั่นเคารพในพระธรนาตรายนี้เป็นทางดาเนินเป็นทางดำเนิน ศรัทธาคือความเชื่อมั่นความเคารพในพระรัตนตรัยเนี่ยทําหน้าที่อะไรกําจัดกิเลสกิเลสในแค่ความสงสัยสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยจะถูกกาจัดและถ้าปัญญาเกิดร่วมกับศรัทธานะก็ไปจะกําจัดความหลงด้วยกําจัดความหลงเอ้ยความลังเลสงสัยเนี่ยมันมีโมหะในนั้น มีโมหะคือความมืดเพราะมีศรัทธามีปัญญามีสติมีความเพียรที่ถูกต้องในจิตนั้นนะมีสมาธิที่ตั้งมั่นเบีดเสร็จก็กำจัดความหลงความไม่เข้าใจความไม่รู้ในพระรัาไตรเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เห็นชัดว่าโอ้จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยสภาพของศรัทธาจิตกับศรัทธาในคนละอย่างกันนะโยม จิตกับศรัทธาคนละอย่างจิตเกิดทั้งหมดเกิดทุกครั้งคิดทุกครั้งเนี่ยมีศรัทธาในพระราชนตรัยทุกครั้งไหมไม่มีนะไม่ไม่ได้มีอะไรนะบางครั้งเรากําลังโกรธคนอื่นแล้วก็มีจิตคิดเนียตอนนั้นน่ะตอนนั้นมีศรัทธาในพระราชนตรัยไหมล่ะเช่นสอนนักเรียนนี่แหละอบอกไงก็ไม่ฟังบอกไงก็ไม่ฟังเอนี่ชักชักชักขึ้นแล้วนี่ยชัขึ้นแล้วเนี่ยเราก็คิดเนี่ตอนนั้นน่ะ ถามว่าความคิดตรงนั้นมีสถาทธาไหมมีสติไหมเอากโกรธมีสติหรือไม่มีเอาเราระลึกได้อ่ะเราจําได้เนี่ยเนี่ยจําได้นะว่านักเรียนคนนี้เกย์ไปลักของไปแกล้งเพื่อนเราจําได้หมดเลยอะจําทุกได้เราระลึกได้สติเราไปแปลว่าระลึกได้เอาสิแล้วก็ระลึกแม่นเลยแต่เราโกรธเน่ยอย่างนี้ใช่ไหมใช่สติไหมเขาเรียกมิจฉา มิฉาสติเห็นไหมร้องเห็นไหมลึกลึกแต่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นสติเราจาได้แม่นเลยใช่ไหมเช่นมีใครยืมเงินเนี่ยจำแม่นไหมมีคนด่าจำแม่นไหมเออแฟนแฟนเคยทำอะไรผิดจําได้หมดเลยอ่ะจาได้หมดแบบไม่ต้องจดเลยอ่ะทำไมถึงจําได้แม่นน่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะไอ้ที่เขาทำดีๆไว้ไม่ค่อยจำเแต่ว่าที่ที่ไม่ดีจําแม่นเลยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีปกติปกติอะไรมองจุดด้อยมากกว่าจุดเด่นเมตตาไม่ค่อยเกิดคนที่เป็นแบบนี้เมตตาไม่ค่อยตัวดไอ้เรื่องไม่ดีจำจำจำเราคิดว่าคือ มนุษย์เนี่ยชอบจัดการคนอื่นเนี่ยชอบจัดการคิดว่าเมื่อเราจําจุดเด่นจุดด้อยใครได้มากๆแล้วเราจะสามารถปกครองเขาได้เนี่อํานาจโทรศัพเป็นแบบเนี้ยก็คิดว่าเออเราจะจัดการจะปกครองเขาได้หรือว่าจะจัดการเขาได้จะคุมเขาได้จะกํากับเขาได้ผิดหวังทั้งชาติ โทสะเนี่ยทำให้หมดอำนาจลงเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆใๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆนใๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆะก็ทําให้หมดอํานาจ ใช่ไหมล่ะจริงไหมจริงน้ะหมดอำนาจยังไงอ่ะทำไมคนมีโทรศัท์มาถึงหมดอำนาจในสังเกตดูนะไอ้กรรมที่ทำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นประเทศที่ไปลุกลานเขามากมากๆๆๆมากม า, ก า, กาก่เข้าอำนาจก็เริ่มหมดหมดเพราะกรรมนั้นให้ผลอุย้ยวิบัตไิไม่มีเหลือเลยวิบัติฉะนั้นโทรศัทเหมือนกันถ้าเราไปใช้กับใครเนี่ย เราจะไม่สามารถปกครองเลยเขาได้หรอกบังคับ่ะไม่มีทางได้ผลสอนนักเรียนเนี่ยบังคับไม่มีทางได้ผ ล, นนผลพลาดหมนปล่อยป่าละเลยก็ไม่ได้ผลนะแต่เมตตาเนี่ยไม่ใช่เป็นการปล่อยป่ยปาละเลยนะแต่นี้ในรายละเอียดยังไม่ได้ตามเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวคณะครูอาจารย์เขาแยกกลุ่มกันตอนช่วงบ่ายเขาก็จะแจวเจาะประเด็นให้เห็นในรายละเอียดนะ ว่ามาจะไม่มีเวลาที่จริงออกมาต้องการมาพูดภาพรวมลำดับต่างๆแต่เจาะประเด็นต่างๆเนี่ยพวกเราจะต้องถามตามกลุ่มต่างๆที่มีครูบาอาจารย์ที่จับประเด็นเขาไว้นั่นน่ะจะต้องไปเจาะประเด็นแล้วเอามาใช้ใได้จริงเอามาเป็นทางดําเนินให้ได้วันนี้เรามาศึกษาพุทธโอวาทแล้วเนี่ยคือศักยภาพของเราต้องถูกพัฒนา ไม่ใช่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วกลับไปแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้นี่เสียหายเลยเนนะไม่ใช่เสียหายผู้สอนนีเสียหายเราด้วยนีผู้สอนก็เอ๊สอนยังไงแนะนํำยังไงไปเนี่ยถึงผิดพลาดออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยพอสอนเสร็จไปไปมาไปพอไปสอนเด็กขึ้นมากลายเป็นโอ้โหทำให้เด็กกลัวกันเป็นแถวเป็นแนวเลยนี่ไปใหญ่เลยทีนี้เอ๊ทาไมไม่ได้บอกอย่างนี้ทาไมออกมามุมนั้นด้วยงั้นศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นความเคารพในพระธรรมตรัยเนี่ยเป็นทางดําเนิน คำว่าศรัทธาตรงนี้นะไม่ใช่พูดถึงศรัทธาตัวเดียวนะไม่ใช่พูดถึงความเชื่อมั่นอย่างเดียวนะพูดถึงความเพียรในการประครับประคองใจให้อยู่ให้ศรัทธาอยู่ในใจด้วยอย่าลืมนะถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยศรัทธาจะตกง่ายศรัทธาวลาเกิดขึ้นในใจแล้วให้สังเกตดูนะเนี่ยเรามานั่งฟังเนี่ยถ้ามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยต้องใช้ความเพียรประคองศรัทธาไว้ถามว่าศรัทธานี่เป็นนามหรือเป็นรูป เนนามธรรมหรือรูปธรรมถ้าเป็นนามธรรมดูแลยากหรือง่ายยากหรือง่ายให้คนอื่นดูแลให้หรือเราดูแลเองเราต้องดูแลเองทีนี้การดูแลศรัทธาี่ดูแลยังไงทํำยังไงถึงจะให้อาหารศรัทธาได้ก็สมาคมคบหาบุคคลที่มีศรัทธาหลีกให้ห่างไกลจากคนที่ไม่มีศรัทธาเวลาเจอหน้ากันแล้วก็ถามก่อน ไม่แต่เป็นเพื่อนกันใหม่ๆก็เจอหน้าก็ถามเมื่อถามคุณมีศรัทธาในพระราชนตรายไหมถ้าก็บอกโอ้ไม่มีแร้วแล้วก็ทําไงดีเราจะคบหาต่อไปหรือจะห่างก็พยายามพยายามคุยแบบมีจังหวะถ้าคนประเภทนี้นะเราอย่าไปเสพคุณมากนะเดี๋ยวศรัทธาเราหายทีนี้เอางี้ว่าศรัทธาในพระราตนตรัยตัวเนี้ยท่านจัดว่าเป็นทรัพย์ภายใน เขาเรียกอริยทรัพย์ศรัทธาตัวนี้เหมือนมือยอมคนไม่มีมือเนี่ยเวลามือด้วนเน่ยมือด้วนแขนกุดทั้งสองข้างเนี่ยเวลาเจอรัตนะเกลื่อนไปหมดเนี่ยเต็มไปหมดตามพื้นเนี่ยคนมือด้วนเนี่ยจะสามารถหยิบรัตนะได้ไหมทำไมยอมยอม่อปากหยิบเงินไม่หมายถึงมือด้วนเนี่ยจะหยิบหยิบเงินทองที่มันร่วงตามตามพื้นได้ไหมไม่ได้ มีบางคนมาไปอบมางี้เขาบอกได้ครับถำไมได้ไงผมใช้ปากคาบเอะราควรจะอุพมาไงคือตรงนี้จริงๆคําสอนเนี่ยนะคือจริงๆมันหยิบไม่ได้นี้ก็เหมือนกันคนไม่มีศรัทธาไม่สามารถจะหยิบอริยทรัพย์ภายในคือสติปัฏฐานสมปัฏฐานสูงๆศีล ส, ส, สมาธิปัญญาเป็นต้นไม่สามารถจะหยิบได้ ไม่สามารถที่จะหยิบเมตตาที่แท้จริงได้มาใช้ได้ไม่สามารถจะหยิบกรุณามุ้ทิตาและเบกขาที่แท้จริงมาใช้ได้เพราะขาดอะไรขาดศรัทธาคือขาดมือขาดมือสำคัญไหมเหล่าเออสำคัญฉะนั้นตรงเนี้ยถามหน่อยที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยใครได้ศรัทธาในพระธัญญาตราได้ยังไม่ใช่่าศรัทธาพระเนะเอออย่ามาศรัทธาบาเนะี่ยอย่ายุ่ง เพราะศรัทธาและยุ่งหนึ่งให้ศรัทธาพระรัตนตรัยเนี่ยหละผ่านพระผ่านใครเนี่ยความดีเขาเอามาอยู่ตรงว่าอามามากล่าวพระธรรมทำนําพาเราไปส่งให้ถึงพระาราชนตรความดีามาอยู่ตรงนี้แหละถ้าจะบอกเออขอบคุณท่านนะแหม้ท่านชี้แนวทางให้ให้ดิฉันให้กับผมเนี่ยเออเข้าไปเชื่อมต่อกับพระาราชนตรัยได้มีความดีของท่านอยู่ตรงเนี้ว่างั้น อย่างเงี้ยอย่างี้ก็ชัดใช่ไหมทีนี้ศรัทธาเนี่ยเป็นมือขอาถามหน่อยตอนนี้มือคือศรัทธาของเรามันยื่นออกมาบ้างหรือยังหรือมันหดเท่าเดิมยื่นบ้างหรือยังใครที่ศรัทธายังไม่ยื่นออกมาก็บอกตรงๆนะเวลาเขาแยกกลุ่มเนี่ยบอกผมไม่มีศรัทธาหรือฉันไม่มีศรัทธาเลยอะนะ ถ้ามันไม่มีเนี่ยแปลว่ามันจะเก็บรัตนาไม่ได้มันจะเก็บมันจะเก็บเมตตากรุณาุมิตาเวกขาไม่ได้ไม่รู้จะหยิบยังไงอ่ะเพราะมือมันด้วนมือมันกุดนะสําคัญไหมล่ะสำคัญนะศรัทธานในพระรัตนตรัยก็ตั้งมั่นเชื่อมั่นสิครัทีนี้แต่ถามว่าเป้าหมายเนี่ยเราไม่ใช่ตีบตันอยู่แค่ศรัทธานะแต่เราจะเอาศรัทธานั่นแหละไปหยิบศีล ไปหยิบสมาธิแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือไปหยิบปัญญาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะอามือไปหยิบปัญญามาเข้าสู่กระแสชีวิตไม่ได้มันจะเห็นปัญญาอยู่ในหนังสือมันจะเห็นศีลอยู่ในหนังสือมันจะเห็นสมาธิปัญญาทั้งหลายอยู่ในหนังสือและมันไปเห็นศีลสมาธิปัญญาอยู่กับบุคคลอื่นแต่ไม่สามารถที่จะหยิบเอามาเข้าสู่ชีวิตของตนเองได้เพราะตนเองไม่มีมือคือศรัทธาเข้าใจยัง การไม่มีมือคือศรัทธาเนี่ยมันเป็นความเสียหายเพราะเราไม่สามารถจะยิดคุณธรรมสูงๆทั้งหลายเข้ามาสู่กระแสชีวิตเราได้เลยเนี่ยมันไปปิดมุมตัวเองตรงนี้เส้นไงบางคนเนี่ยเพราะไปปิดมุมตรงนี้จบเลยชีวิตในะแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้พอมองเห็นนีอย่างว่าสําคัญไม่เล็ศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเราจะเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้จะนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้จะเงี่ยโสดลงสดับ เมื่อเงีย่ยสวดลงสดับแล้วจะตั้งจิตรับรู้เมื่อตั้งจิตรับรู้ไปเสร็จแล้วมันจะเริ่มระดมในการที่จะแยกแยะไข้ควรพิจารณามันจะได้แทงตลอดแล้วก็เอาคําสอนมาใส่ไว้ในกระแสชีวิตได้เห็นไหมมาจากศรัทธา น, นี่แหละให้สังเกต ด, ดูนะว่าคนที่มีศรัทธานเนี่ยเวลาเชื่อมั่นอุย้ยเราเจอของดีแล้วเนี่ยเวลาเขามีการจัดอย่างนี้เบีเสร็จในรีบนั่งหน้าเลยมีศรัทธาจะรีบรับข้อมูลเนี่ยสังเกต ด, ดูไหม ถามว่าเราเป็นนักเรียนเออเราเป็นครูเนี่ยเราไปสอนนักเรียนเนี่ยชอบไหมนักเรียนนั่งท้ายเราต้องเรียกเขาเรียนขึ้นมาข้าบวนไหมฉะนั้นเราถ้าเราไม่กลัวกรรมจะให้ผลเราก็อย่าทํารีบนั่ง <c ười> กรรมเนี่ยมันให้ผลในปัจจุบันนะเออเราก็ไปสงสยัยนักเรียนทำไมไม่ค่อยไม่ค่อยมานั่งข้างหน้าเลยเพราะเราไปทําเหตุแบบนี้ไว้พอเขาประชุมอะไรที่ไหนโน้ตหยู่ท้ายโน่นนะ ท้ายไกลแค่ไหนเราก็ยิ่งไปอยู่นู่นแหละอยู่ท้ายนู่นแหละกลัวแล้วเกินกลัวจะออก่อประตูไม่ทันไม่รู้เป็นไงประตูพอบอกว่าปิดการอบรมปิดการไปชมเขาบอกคนไทยเนี่ยเอามาไปเจอพระพระรูปหนึ่งก็พูดท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่าขอภยัยนะขอหยิบคำพูดท่า น, เ, นเวลาจะมาเนี่ยมาเข้าห้องไปชมเนี่ย แ ต, แต่ท่านใช้สับเนีเวลายามมาเนี่ยมันหาจะกินให้พวกก็กลัวไงนะกลัวหากินนะแต่เวลาจะไปเหมือนไก่จะบินเนงคุณวิ่งว่าออกไปชมออกห้องประชมุมนะโหแย่งกันออกเลยแต่เวลาจะเรียกเข้าห้องประชุมนี่ค่อยๆมาทีละคนสองคนเชิญครับเชิญเข้าห้องประชุมครับนานๆโผล่หนุยนาดมาคนหนุยนาดมาคนอู้อดอัด น, น, นะจำไว้ล่ะ เปลี่ยนหม่ได้ไหมเวลาจะเรียกเข้าประชุมรีบฟึ๊ดก็มาเลยแต่เวลาจะไปค่อยๆเดินไม่อยากจะออกจากห้องประชุมเลยความรู้เหมือนนานๆจะได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้น่าเชื่นใจเนียอะไรเนี้ยเขาบอกว่าเออตอนนั้นไปที่ไปที่สิงคโปร์เขาก็ไปคุยกับเด็ก เด็กที่สิงคโปร์เด็กเราใช้ภาษาอังกฤษนะเก็คุยกันเขาแปลกใจนะคนที่ไปบรรยายคือเขาถูกฝึกมายังไงรูคือเขาจะนั่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเขานั่งแบบเขาเหมือนตั้งใจมากเลยคือคนคนไปบรรยายเนี่ยนะเขาชื่นใจมากเขาจะตั้งใจแบบไม่ไม่เหลียวซ้ายแลขวาเลยก็เลยถามเขาว่ามันเป็นไงเขาบอกอ๋อเป็นสิ่งที่เขา สอสอนว่าการการฟังเนี่ยเขาคือเขาเขาให้ให้เกียรติเขอย่างนั้นเขาไม่รู้คําสอนอะไรนะให้เกียรติคนมาบรรยายทั้งๆ ท, ท, ที่คนบรรยายจะดีหรือไม่ดีเขาตั้งใจเสมอเหมือนหนึ่งเขาเขาตั้งใจฟังอย่างแรงกรล้าเลยเอะเราลองทําอย่างนั้นดูสิเราจะได้ประโยชน์เยอะนั่งจ้องตาเป็นมันเลยเนี่ยนะสนใจไปดุ ด, ดังสนใจแต่นี่เราสนใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่เงี้ย ฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของโรกียสราณาคมเนี่ยความเคารพในพระราัณาธิรายได้แก่อะไรกันแน่ไม่ใช่เคารพทางกายกวาจาอย่างเดียวนะแต่ตัวขับเน้นความเคารพจริงๆกับสภาพจิตใจที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นเป็นต้นนั่นแหละเกิดขึ้นทําไมเราต้องมีศรัทธาในพระธรรมคตเมื่อเชื่อมั่นในศรัทธาในพระธรรมคตแล้วนั่นแหละคําสอนของพระธรรมคตคําสอนของพระเจ้านั่นแหละจะสามารถขับเน้นทําให้เราเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงได้ พอเราได้ปัญญาเบ็ดเสร็จแล้วพัฒนาปัญญาได้มันจะแยกแยะสิ่งที่ดีชั่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้ทีนี้กรณีที่ตัวเขาเรียกมหากุศลเขาเรียกกุศลที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นี่แหละมหาเนี่ยแปลว่าใหญ่เนี่ยนะตัวมหากุศลเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นที่เขาเขียนจัดงานกันนะบอกว่าจัดงานมหากุศลใชม่มีการชก มวยมหากุศลอย่างเงี้ยมันอย่างเง้ยมันไม่ใช่นะแต่มหากุศลในที่นี้เป็นกุศลที่เกิดขึ้นในใจที่เป็นสภาพจิตใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีคุณของภาัตะนาไตรเป็นอารมณ์แม้ถ้าพูดอย่างเี้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะเนี่ยอย่างเราบอกว่าเออวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์นนมเสียใช่ไหมเราพูดอย่างนี้ยไหม เอาคำว่าอารมณ์ในความเข้าใจของเราเนี่ยหมายถึงอะไรว่าไงคาว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงอะไรเราไปมุ่งหมายขับเน้นที่จิตใจแต่นี้เข้าใจนะว่าแต่คำว่าจิตคือจิตที่มีศรัทธาเนี่ยนะซึ่งมีคุณของพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตของเราเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า น้อมระลึกถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณของพระญาสง์การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตที่เกิดขึ้นแหละมีคุณของพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เข้าใจใช่ไหมความหมายให้ต่างกันหน่อยเนะตรงนี้เราจะไปเข้าใจสับสนนิดหน่อยคือความคิดเกิดขึ้นเช่นเรานั่งอยู่นี่นะเรา เราคิดถึงบ้านนั่นแหละบ้านเป็นอารมณ์ให้จิตเราจิตนั่นแหละคิดถึงบ้านอันนี้เหมือนกันจิตนี้เราคิดถึงพระราตนาตรยัยพระราตนาตรัยก็เลยกลายเป็นอารมณ์กระตุ้นจิตใจของเราทีนี้เวลาศรัทธาเกิดขึ้นคิดถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยเมื่อคิดถึงแล้วนี่นะ สภาพจิต ท, ที่เป็นกุศลก็เลยทำการละละอะไรดีละความสงสัยละความหลงละความไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยเห็นไหมการคิดถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยดีกว่าคิดถึงบุคคลอื่นยอมลองคิดดูนะคิดถึงทรัพยบจะยอมจะเครียด มันคิดด้วยที่คิดถึงเงินเดือนก็เครียดเครียดด้วยนะเพราะว่าบางทียังไม่ถึงกลางเดือนแล้วไอ้ที่เราใช้ไปนะมั น, เ ก, นเกินเกินเงินแล้วเคยเป็นไม้มเลาเป็นบ่อยไหมไม่บ่อยเท่าไหร่นะอ่ะคิดถึงโลกก็เครียดคิดถึงพ่อคิดถึงสามีคิดถึงแม่คิดถึงใครต่างต่างเครียดหมดเลย ลองคิดถึงพระราชนตรายสิยอมจะเชื่นใจแค่นั้นไม่ดีจริงเลยแต่พระราชนตรายดีดีดีคิดแล้วทําให้เราเชื่นใจคิดแล้วคิดแล้วความไม่มีศรัทธาเราหายคิดแล้วความเกียดคร้านเราก็หายคิดแล้วความหลงลืมสติก็หายคิดแล้วความฟุ้งซ่านก็หายไปความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นคิดแล้วความไม่รู้ไม่เข้าใจก็หายไปแค่นั้นการคิดถึงพระราชนาตรายเนี่ดีที่สุด แต่คนไม่ค่อยเข้าคิดถึงกั น, นด้วยอำนาจของการละได้เป็นชั่วขณะหไหมคิดแล้วก็จะละละกิเลสได้ชั่วขณะขนาคิดบ่อยๆทีนี้อะไรเป็นตัวขัดขวางทำให้ใจของเราไม่เข้าถึงพระรัตนตรยัยอันดับแรกคือความลังเลสงสัยเนี่ยขวางเลยทาให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ ลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าจริงหรือพระเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาจริงหรือเนี่ยถ้าทำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปเออพระเจ้าเป็นตัสรู้จริงหรือเปล่าพระเจ้ามีพระรูปงามอย่างนั้นจริงหรือคุณธ้าทำกับพระเจ้ามีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นเนี่ยจริงเรือเนี่ยการไปตั้งข้อสงสัยอย่างนี้เบ็ยเศจขวางขวางทําให้ศรัทธาไม่เกิดเพราะศรัทธาไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการศรัทธานะ แต่ศรัทธาเป็นมือดังกล่าวแล้วแล้วปัญญาจะเกิดยังไงเป้าหมายเราต้องการเราไม่ใช่ต้องการที่จะนอนอยู่แค่ศรัทธาแต่ต้องการเอาศรัทธามาเป็นมือในการไขว่คว้าคุณธรรมที่ยังไม่เกิดเช่นตอนนี้เรายังเดินเมตตาก็ยังไม่ได้กรุณามุมติตาก็ยังไม่ได้เวขาก็ยังไม่ได้ตอนนี้เรามาเจริญที่จะทําให้ศีลสมาธิปัญญาให้เกิดก็ไม่ได้เงี้ยนะเราจะทําจาค้าให้เกิดขึ้ น, า น, น, านเนี่ยทานกุศลเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นนี่ยปีญะวาจางเงี้ยอัตตาจริยาสมาณะตาพวกนี้คุณธรรมต่างๆพวกนี้เรายังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นในชีวิตเราจริงได้งั้นต้องใสยศรัทธาเป็นต้นแหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ความไม่มีศรัทธาความไม่มีความเพียรความไม่มีสติความหลงลืมสตินี่แหละความฟุ้งซ่านทั้งหลายความไม่รู้ความไม่เข้าใจความโลภความกาหนัดความยินดีความเพิดเพลินความโกรธ ความเครียดความวิตกกังวลความพยาบาทเนี่ยนะตลอดถึงความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงความเห็นผิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุปสรรคทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ยอมสังเกต่ไหมว่าระหว่างความโลภกับความโกรธเนี่ยอันไหนมากกว่าในตัวเราความโลภมากเนาะความต้องการอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ไอ้ตรงนี้ขณะความโลภเกิดขึ้นในขณะนั้นพระรัตนตรัยไม่อยู่ในใจตอนนั้นนะนั่นแหละนี่ดูวขวางเอาหดหูเคยเป็นไหมหดหูท้อถอยนั่งซึมซึมเสื่องเสืองเดินก็ซึมซึมมันเหมือนไอ้ตรงนี้ตอนนั้นก็ขวางทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ได้เป็นไหมอะตอนนี้นั่งเลยความฟุ้งซ่าน ไอ้ตรงเนี้ยเขาให้เข้าถึงพระรดาณาธิการนี่ตึกอุปสรรคหมดเลยต้องขจัดสิ่งเหล่านี้คนที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่จะฝึกตนเองในการเข้าถึงพระรดาณาธิการได้เห็นไหมเรื่องนี้คิดดูนะว่าแล้วคนที่ไม่มาฟังข้อมูลจริงๆจังๆคิดไหมว่าเขาจะเข้าถึงพระรดาณาธิการถูกหรือไม่ถูกนี่ในเบื้องต้นแท้ๆนะเนี่ย เอาต้นต่อของการเข้าถึงพระรันาตนตรัยเนี่ยไม่ใช่เอาไม่ต้องเอาไปนั่งกรรมฐานกันนะนี่เอาแค่เข้าถึงเนี่ยหน่าชิดไมลีโรกิยานเนี่ยนะเออแล้วนี่ไงเพราะเราไปเข้าใจว่าการเขารบพระพุทธเจ้าเนี่ยเออถึงเวลาก็เออถึงประเพณีก็ไปใส่บาตรทันที มีกิจกรรมก็ไปแหน่น้ําสงน้ําพระใช่ไหมล่ะเราคิดแค่นั้นไงพอทําเสร็จก็ถือว่าโอ้เรียบร้อยไปแล้วนี่มันกลายเป็นอะไรกันเนี่ยเหมือนเหมือนกระบวนการศึกษาบ้านเราเนี่ยกระบวนการกา ร, การศึกษาทางโลกบ้านเราเนี่ยให้สังเกตุไหมไปไปมามันหนักกิจกรรมนะไอตัวเนื้อแท่งกา ร, การศึกษาจริงเริ่มน้อยลงจริงไหมล่ะล้วอจะรูปแบบใช่ไหมล่ะนัเข้านัเข้าข้อมูลลองสํารวจเด็กไทยเราดูสิ อันนี้พูดแค่เด็กไทยไม่ให้สํารวจครูนะเอาสํารวจเด็กไทยก่อนเพราะครูก็มาจากเด็กคนนั้นแหละจำ ไ, ไว้แล้วแล้วเราจะเห็นความอ่อนแอทางด้านทางด้านข้อมูลให้สังเกต ด, ดูของเราเวลาจบจบอะไรไปเดินไปต่างประเทศเขาก็ปรับลดลงมาเองเขามองเราไม่แข็งแรงทางด้านวิชาการจำไว้ไแล้อทีนี้ประเด็นก็คือว่านั้นก็ว่ากันไป มันเป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยนะแต่มันเรื่องของเราด้วยนะตอนเนี้ยเรื่องของชุมชนของเราที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเรื่องภาพกว้างงั้นก็โหยพูดกันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกแต่ประเด็นต้องการให้เข้าใจไงว่านี่ไงบางทีเนี่ยมันจะได้แค่อะไรกันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้การเข้าถึงแทงนอาการทําหน้าที่ประหารนี้ประการลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกิยะสารณคมเนาะการเข้าถึงสาระ การเข้าถึงสารณะโดยการที่ขจัดแต่ถ้ากลุ่มโลกรุตระสาธารณคมนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วอันนั้นหมายความว่าเป็นการเข้าถึงโดยชนิดที่ประหารกิเลสได้เป็นสมุเฉทประหารเห็นไหมว่าเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือการที่จะเข้าถึงสารณคมทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าอา้าประเด็นที่เราจะมาขับเน้นการในวันนี้อีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะเอาพุทธโอวาทมาใช้ เมื่อเข้าใจในเรื่องของสาธารณคมเบ็ดเสร็จเมื่อเช้าพูดเรื่องทานกุศลนะเมื่อเช้าพูดเรื่องทานกุศลอย่าพูดเรื่องทานนะเอา้าทานมีกี่ประเภทก่อนนี่ถามนะเนี่ยเอาเรื่องทานที่พวกเราเคยให้กันนี่แหละทานมีกี่ประเภท การให้ทานในพุทธศาสนาถ้าแยกออกมาแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอมิสทานให้อมิสใช่ไหมแล้วก็อะไรกันอภัยทานเคยให้อภัยทานไหมเคยเห็นเขตอภัยท า, านไหมเออแล้วจริงๆแล้วอภัยทานเนี่ยเข้าไปเขียนเป็นเขียนหรือเขียนไว้ในใจ <c oughs> แล้วก็ทำรรมาทาน ครั้นคำว่าอมิสทานก็คือวัตถุทานก็คือให้สิ่งของให้สิ่งของให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่ให้อาหารให้ยาเป็นต้นเนี้ยนะนี่เขาเรียก อ, อมิสทานถ้าอภัยทานเนี่ยจริงๆท่านขับเน้นตัวศีลอภัยทานเลยน่คือศีลเห็นไหมการให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ย น, นี้เป็นศีลข้อที่หนึ่งการให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินอันนี้เป็นศีลข้อที่สองอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยแต่เรามักไปเขียนกันว่าเขตอภัยทานห้ามฆ่าปลาสมมุติเนี่ยนะเออแปลกไหมเราให้ให้อภัยแต่เฉพาะปลาแค่นั้นเองเนี่ยแล้วสัตว์อื่นล่ะบางทีเอายาฆ่ า, มาแมลงไปฉีดตรงนั้นด้วยตรงนั้นเนี่ย<ม>เป็นงั้นเป็นเขตอภัยทานใช่ปะ ก็เรายาฆ่ามแมลงไปฉีดตรงนี้หญ้ามันรกยาฆ่าหญ้าไปฉีดแล้วเขียนปักป้ายเขาว่าเขตอภัยทานโอ้ตายแล้วเออแปลกไหมมนุษย์เราเนี่ยก็ไปสังเกตดูนึ่นส่วนธรรมทานก็หมายการให้ความรู้เอางี้วิชาที่ไม่มีโทษการให้วิชาที่ไม่มีโทษเอาเราสอนหนังสือเนี่ยชื่อว่าให้ไหม ให้ธรรมทานหรือเปล่าให้ธรรมทานวิชาที่เราสอนมีมีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษนะต้องไม่มีโทษจริงๆนะต้องวนเล็บไว้ด้วยนะถึงจะเป็นอะไรถึงจะเป็นธรรมทานแต่ถามว่าเราเคยคิดจริงๆไหมว่าเราจะไปให้ธรรมทานทุกวันที่เราเป็นอาจารย์สอนเนี่ยถามว่าการให้ธรรมทานเนี่ยให้สังเกตดูนะอันนี้รูปแบบเราได้แล้วนะ เราเข้าใจรูปแบบก่ันนะลักษณะของทานกันนะเดี๋ยวจะจับประเด็นว่าเราจะสามารถจะเข้าถึงพระรัตนตรยัยจับเอาพุทธโอวาทมาใช้จริงในชีวิตจริงได้หรือไม่นะเดี๋ยวค่อยๆสืบพ้นไปนะเราจะได้รู้อมิสทานเข้าใจอย่างถ้าให้สิ่งของเนี้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นอมิสทานใช่ไหมตัวอมิสทานให้ข้าวเป็นอมิสตานไหม ให้ยานี้เป็นอมิสทานัหยให้น้ําให้ให้ที่อยู่ให้เสื้อผ้าให้แว่นตาเป็นอมิสทานนะให้สีเป็นเป็นอมิสทานไหมให้เสียงเอาอะเรเลอะๆไปให้กลิ่นให้รสให้ผลให้สัมผัสเย็นร้อนเนี่ยนะสิ่งต่างๆอห่นี้เป็นกลุ่มอมิสถานใช่ไหม แสงสว่างให้แสงสว่างอธทชื่อว่าให้แสงสว่างหรือยังให้ยังเนี่ยคนที่ก็จัดสถานที่อะให้แสงสว่างเป็นทานไหมให้ให้ที่อยู่ด้วยไหมใช่ไหมให้สีไหมเขาให้สีเป็นทานได้ไหมสีเขียวสีที่ก็ประดับสีเนี่ยถ้าน้อมเนะนะ่นเนาะเห็นให้สีเป็นทานให้เสียงไหมมาที่นี้ก็มีเสียงว่าทำเนี่ยนะกลิน มีกลิ่นดีๆไหมให้กลิ่นเป็นทานแกพวกเราไหมเนี่ยให้อาหารด้วยไหมรสอาหารด้วยนะแอเป็นสัมผัสสัมผัสอย่างนี้เป็นทานไหมแล้วก็ให้ตัวธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มีหลายอย่างนะธรรมะคำสอนนี่ก็ได้เนื้อหาธรรมะเขาทำก็ได้หรือรสชาติของอาหารเป็นต้นก็ได้ นี่ไงตัวเหล่านี้คือวัตถุอะไรวัตถุทานเอาเวลาเราไปไปเจริญทานกุศลหรือไปให้ทานเราได้แยกแยกรายละเอียดแบบนี้ไหมแยกหรือไม่แยกไม่แยกเห็นไหมถ้าไม่ได้รับฟังพุทธโอวาทเราจะมาแยกรายละเอียดไม่ได้เห็นไหมเหตุผลที่เรารับฟังพุทธโอวาทนี่ไง การที่เรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราคือพระธรรมพระธรรมเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นํามาพระธรรมเหล่านั้นมาเข้าสู่ในความคิดของเราเราก็เริ่มแยกแยะเป็นคิดเป็นเอา้าตามต่อไปนะแต่เนี้ยนี่คือกลุ่มกลุ่มอมิสทานถ้าหากอภัยาทานก็ว่าไปแล้วคือกลุ่มศีลเดี๋ยวค่อยว่ากันไปส่วนธรรมาทานทั้งหลายก็ให้วิชาความรู้ที่ไม่มีโทษแต่สิ่งต้องการกลับเน้นก็คือทานเนี่ย หนึ่งคำว่าทานนะตัวทานในที่นี้คือกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้นะกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้นี่เขาเรียกว่าตัวทานที่เป็นกลุ่มนามธรรมาคือจิตกุศลเข้าใจคําว่ากุศลเจตนาไหมคือจิตที่คิดจะให้ เจ็จำงความจงใจความตั้งใจที่เป็นไปกับจิตที่เป็นกุศลที่เป็นไปกับจิตที่เป็นไปกับศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวที่เป็นไปกับการประคับประคองความเชื่อมั่นนั้นที่เป็นไปกับสติไอ้ตรงเนี้ยไอ้สภาพจิตใจที่มีจิตที่คิดจะให้ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไร เขารียเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้เขาเรียกเจตนาทานเจตนาทานเวลาก่อนจะให้วัตถุเนี่ยตั้งใจก่อนไหมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ความตั้งใจมันเป็นการตั้งใจแบบให้สังเกตดูนะอพอพูดถึงความตั้งใจนะเจตนาคือจิตที่คิดจะให้ตั้งใจที่จะเสียสละเนี่ยตั้งใจที่จะเสียเสียสละวัตถุเป็นต้นเราเนี่ยเราตั้งใจแบบ เป็นไปกับความลําเอียงได้ไหมเป็นฉันททานเนี่ยฉันททานังอะ่ะเช่นตั้งใจจริงแต่ความตั้งใจของเรานั้นเรารักคนนี้มากเรารักบุคคล น, นี้มาก ร, ารักสถานนี้สถานที่ตรงนี้มากเราก็เลยชอบแล้วก็รักใครก็อยากเลือกของดีของน่าใช้เรารักชอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นว่าเป็นมิตรเป็นญาติของเราลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฉันททานัง ให้ด้วยความลำเอียงเพราะอะไรลำเอียงเพราะรักถามว่าเจตนาตั้งใจแบบนี้มีไหมนี่เนี่ยเขาเรียกว่าทานแต่ทานที่เป็นตัวกุศลจริงๆมีน้อยแต่มีความลำเอียงเกิดหลายร้อยพันครั้งให้สังเกตดูนะสภาพใจที่มันเป็นกุศลก็มีอยู่เนะ่ไม่ใช่ไม่มีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นไปกับความลาเอียง ถ้าจะไปให้ถ้าจะไปทำบุญต้องวัดนี้เท่านั้นว่าชอบอะแต่งวัดก็สวยเข้าไปก็ล่มลื่นนะคนที่ไปก็เราชอบพอทั้งนั้นแหละเป็นไม่เป็นหรือถ้าจะไปบริจาคทานที่ไรก็ต้องเนี่ยโรงเรียนนี้เท่านั้นแหละเราชอบให้ เป็นไหมสมัยสมัยก่อนนี่นะเวลามีของอะไรต่างๆมากเอาไปให้นักโทษเรียนจําก็บอกต้องที่นี่เท่านั้นแหละนักโทษที่นี่มารยาทดีนักโทษที่อื่นมารยาทไม่ดีเลยนี่ เ, เรียกมีเจตนาไหมอย่างนี้ เ, เรียเจตนาที่เป็นไปกับฉันทะทานังให้ด้วยความลำเอียงเจตนาเหล่านี้ไม่ได้ขับเน้นที่เป็นกุศลเลยเห็นไหมเนี่ยมีกนะุศลเล็กน้อยแต่ความลำเอียงมาก โดยสัมมวนตท่านใช้คำว่ากุศลหนึ่งหนึ่งขณะใช้คำอย่างนั้นนะแต่ความลำเอียงพันขณะแวดล้อมโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยเอ้าประการต่อมาคือโทสะทานังเจตนาเนี้ยให้ทานเพราะโกรธขัดเคืองใจเลือกให้ของที่ไม่ดีของที่ไม่ดีแก่คนที่เราไม่ค่อยชอบหนะ้า ไม่ให้ก็ไม่รู้ยังเขาเราไม่ชอบอะเคยไหมเคยให้ของแบบนี้ไหมให้ประเภทที่เราไม่ชอบตื้อขออยู่นั่นแหละบอกเอาเอาไปอย่างนะเงี้ยนะเคยไหมล่ะลองนึกที่นึกย้อนหลังดูที่เคยไหมให้ด้วยความโกรธเนี่ยให้ด้วยความไม่พอใจเนี่ยคนที่ไม่อยากจะให้แต่จําเป็นต้องให้เพราะรักษาชื่อเสียงเขาไว้ถ้าไม่ให้ ที่จริงตรงนี้มันเป็นลักษณะว่าเราโกรธเราไม่พอใจแต่มันก็ต้องต้องให้ลักษณะเนี้บางทีบางทีกับลูกเคยไหมเราจะให้ลูกเนี่ยร้องไห้อยู่นั่นแหละแง่แงแงเคยไหมล่ะแล้วก็หบางทีก็ับเพื่อนนี่แหละเม่เสร็จแตื้อขออยู่นั่นแหละบอก โอ้โหเราก็โกรธแต่ก็ให้เป็นโตสาธานังเป็นบ่อยไหมอ้าวพระแต่เนี้ยพระมาเรียอะไรอ่าตอนนี้วัดเราขาดสลากสลาการประเรียนก็ยังไม่ได้มงหลังคาก็ยังไม่ได้เลยวัดก็น้ําก็ท่วมต่างๆก็โคสน์โกรธด้วยนะเอเสียงก็เดินลงไปคือต้องกา ร, อ, า อ, รอยูเมื่อไหร่จะออกไปจากหน้าบ้านแล้วสัทีอ่ะเคยไหม คนมาแล้วเดี๋ยวนี้เรียอะไรพระป่ามาพระบางบางทีคนขายของนั่งอยู่้วก็มองเนื้อบาทเนี่ยเขาเห็นเอามาๆกันก็มามาเขาถามมองหน้ามาจากไหนนี่ท่านนี่มาเขาออกก็เลยขันไปถามเนนรถบอกเน้นรถรายงานหน่อยเน้นก็บอกถสักพักหนึ่งเดียวก็อ๋ออ๋ออ๋อเน้นรถก็ว่าหลวงพ่อมาอบรมเหม่เรียกเราจะสูงเลยเราก็เขาบอกเอา ส้าพักหนึ่งก็ยอมจากที่ตาเริ่มเริ่มแข็งแข็งก็เริ่มอ่อนอ่อนโยนลงนิดนึงอามาก็ยิ้มนะยิ้มมือนเนีพอยิ้มยิ้มเสร็จเธอคืออามาก็เข้าใจแล้วเออทําไมทําไมคือแกแกกงหงุดหงิดคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอย่าลืมนะว่าการไม่ได้อบรมกายนี่หงุดหงิดง่ายนะเช่นบางคนมีสรีล้าที่ ท, ที่ที่หนาเกินไป สบายใจเร อ, อมันอึดอัดมันที่อึดอัดมากเจออะไรนิดหน่อยก็จะหงดหงิ ด, ดเคยเป็นไหมล่ะคือจะลุกจะนั่งที่ยิ่งอย่าลืมนะยิ่งเราตอน เ, อเราไม่ได้ดูแลรูปกายให้ดีๆเนี่ยพอโรคภัยแข่เจ็บมาเบียดเบียนเราจะกลายเป็นคนหงดหงิดง่ดายแต่เราจะให้นั่นแหละกลุ่มเนี้ยแต่ก็เป็นกลุ่มโทสะาทานเห็นไหมเจตนามีไหมตอนนั้นอะ่ะเจตนาที่คิดจะให้มีหรือไม่มีแต่เป็นไปกับความโกรธ เป็นใบกับความโกรธทีนี้ก็สังเกตให้ดีนะว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่หรือพวกพ้องทั้งหลายของเราทั้งหลายประการต่อมาคือโมหาทานังให้ทานด้วยความไม่รู้ย่อมทําของให้หมดไปนะแก่บางคนและให้ของแก่บางคนที่ไม่สมควรที่จะมีก็หมายว่าบางทีแยกแยะฐานะไม่ถูกแยกไม่เป็นเลยเนี่ยว่าบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยควรให้พ่อแม่ก่อนเงี้ยสมมติเนี่ย เราก็ไม่แยกลำดับไม่ถูกไงโมหะครอบงำอะ่ะจริงๆเขาให้ผู้มีคุณสูงสุดก่อนใช่ไหมเราอยู่ในบ้านเร า, เราเราเคารพพระรัตนตรัยก็ถวายพระพุทธเจ้าก่อนอย่างเงี้ยนะมีพระเจ้าประสงค์มาบินาบาตแล้วก็ถวายแล้วก็มาให้แม่ให้พ่อคือให้พ่อให้แม่แบบเสร็จก็เรียงลำดับแล้วแยกออกไหมตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ หรือบางคนก็ไม่รู้เขตเลยเราไม่รู้เลยว่าให้ทานอย่างนี้แล้วจะได้อะไรนี้ยิ่งยิ่งรายละเอียดเยอะนะตรงเนี้ยเช่นเรารู้ไหมว่าให้ข้าวเป็นทานจะได้อะไรให้หน้ำเป็นทานจะได้อะไรให้เสื้อผ้าเป็นทานจะได้อะไรผลเนี่ยเขตประกอบอย่างนี้จะได้รับผลอย่างไรเี่ยนะ เออการไม่ฆ่าสัตว์แล้วจะได้รับผลอย่างไรฆ่าสัตว์แล้วจะได้รับผลอย่างไรไม่รักทรัพย์จะได้รับผลอย่างไรรักทรัพย์กลุ่มเนี้ยทั้งทานก็ทานศีลหรือภาวนาทั้งหลายเพราะเราไม่รู้เหตุและผลอย่างนี้กลุ่มโมหะโมหะทานนั่งให้ไปแบบไม่รู้หรอกก็ให้ก็ให้เขาเขาถามว่าให้ทําไมเนี่ยบอไม่รู้ก็เห็นเขาให้ให้กันก็ให้อย่างเงี้ยนะประการต่อมาก็คืออย่างนี้เรียกกลุ่มในลักษณะของโมหะคติ ให้เพ่ะหลงให้เพราะหลงไอ้กลุ่มให้เพราะหลงให้พรา ะ, ะ, ะ, ะความหลงทั้งหลายเหล่านี้ก็คือแยกแย่ไม่ออกแยกแย่ไม่ออกก็ลําเอียงนั่นเองนะเพราะเราหลงคนนี้เรามัวแต่ลุ่มหลงโมวเมาอยู่นคนนี้ก็ให้แต่อคนนั้นอยู่นั่นแหละแยกไม่ออกเลยก็ยเห็นไม่เล่าคนเราให้ให้หลงมีอยู่คนหนึ่งนะแก่ลุ่มหลงเอในในวัดวัดหนึ่งนะ ไปไปมามแกก็โอ้โหขนของทั้งหมดเลยเนี่นะเบเสร็จแล้วต่อมาแกก็ไปอยู่วัดนี้แล้วอยู่ไม่ได้ตอนเนี้ยลําบากเลยไปอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้กลับมาตอนนี้ก็เที่ยวขออะไรก็อย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะแต่ไม่ใช่การให้ทั้งหมดนะดีนะแต่จะให้ด้วยความหลงเนี่ยมันไม่เป็นทานกุศลอย่างแข็งแรงกลายเป็นโมหะทานังประการต่อมาก็พยาทานังให้ภพกลัวไง กลัวนี่ลำเอียงเพราะกลัวกว็เสียชื่อเป็นแบบบ่อยไหมถ้าเขาบอกว่าโดยมากเขาจะเรียกพวกเราก็เรียกอาจารย์ใช่ไหมเออชื่ออาจารย์เลยอาจารย์ชนิตาใช่ไหมสมมุติอ่ะมีนักสอนชั้นอะไรปวสี่ห้าหกใช่ไหมอาเขาเขาให้สอนชั้นปวหก เราสอนเราไปอยู่ในนักเรียนเนี่ยชั้นปน .6 ไปเสร็จเข้าห้องประชุมใหญ่เลยเขาก็เรียกชื่อนักเรียนอ่าวันนี้จะมีการบริจาค ก, กันเขาเรียกชื่อนักเรียนออกมาว่าอ้าเอามาบริจาคเนี่ยพอนักเรียนมาบริจาคสองร้อยนักเรียนอีกคนหนึ่งบริจาคสามร้อยนักเรียนคนหนึ่งบริจาคสี่ร้อยห้าร้อยไปเสร็จอ้าวขอเชิญอาจารย์ชนิตาขึ้นมาบริจาคเราจะบริจาคห้าสิบบาทได้ไหม ได้ไหมได้เลยจริงอะทําไมเป็นงั้นล่ะไม่ไม่กลัวเขาว่าเราเลยอ๋อบางคนกลัวเลยนะอย่างนี้นะพอไปบริจาคเนี่ยบอกเอโอโอ้โหขนาดนักเรียนเนี่ยนะเขายังบริจาคมากกว่าเราไอ้โหเราเป็นอาจารย์ไปบริจาคน้อยเนี่ยกลัวเขาว่าไงคือไอ้ความกลัวนี่มีเยอะอย่างนี้เขาเรียกลำเอียงเพราะความกลัวก็คือ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพยาทานนังให้เพราะกลัวให้รายละเอียดเราไปสังเกตดูเถอะเราจะเห็นเยอะบ่าให้เพราะความกลัวเนี่ยประการต่อมาก็คือกูรังสถานเนี่ยให้ตามประเพณีเพราะไปนึกว่าปู่ตายายยายเคยให้มาเคยทำมาก่อนเราไม่ควรที่จะทำให้เสียวงตระกูลเราก็ให้ตามญาติตามบรรพบุรุษของเราเป็นไหมเคยให้แบบนี้ไหม อันนี้เจตนารบอกเออเนี่ยาอที่ทำอย่างนี้เพราะตระกูลเราทำมาเอกกรมหนึ่งสักขศฐานนงก็คือให้หวังแล้วว่าตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ประการต่อมาก็คือให้แล้วมันสบายใจสมณสถานนางระหว่างให้ตามประเพณีให้ตามตระกูลให้หวังว่าเมื่อให้แล้วเราจะได้สุขติโลกสวรรค์ ถามว่าเราเนี่ยใครคิดว่าให้ทานแล้วจะได้ไปสวรรค์เคยคิดไหมคิดไม่คิดบ่อยไหมแบบนี้โดยมากโดยมากอยู่ข้อไหนให้ด้วยความลำเอียงพอรักบ่อยไหมรักลูกเราให้มากคนอื่นเราให้น้อยนักเรียนชั้นเราเราบริการเต็มที่แต่ชั้นที่เราไม่ได้สอนเรื่องเขา เป็นบ่อยไหมไม่เป็นเลยหรือจริงหรื อ, อจริงหรงอกเนี่ยเป็นไปได้เลยเนี่ยคนไม่มีอคติไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเนอะมนุษย์ที่ลักกิเลสได้นะเว้นไว้แต่เรากันตัวเองแล้วเราเข้าใจดีแล้วนึงจะป้องกันได้รู้ป่ะลําเอียงพอรักสังเกตดูนะเอา้าที่นั่งอยู่ในใครเคยให้แบบลําเอียงพอรักมากที่สุด ให้ลำเอียงพอรักแล้วจึงให้อะ่ะเอา้าโกรธลำเอียงเพราะโกรธจึงมีไหมให้แบบไม่พอใจอยู่เรื่อยแต่ก็ต้องให้เคยเวลาเราเคยคิดไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาหารให้กับลูกเนี่ยเป็นทานกุศลเคยคิดไหม เราไปคิดว่าหน้าที่ยังไงแท้จริงมีการหยิบอาหารไหมมีการหยิบยื่นให้เขาไหมอาหารเป็นวัตถุไหมแล้วมีจิตคิดจะให้ไหมเห็นไหมเนี่ยจะให้ด้วยความลำเอียงกะลูกแล้วอะจให้ใช่ไหมล่ะเนี่ยลาเอียงพอรักนี่เป็นทานนะเนี่ยนะแต่ทานประเภทลำเอียงเข้าใจยังเราเนี่ยมันให้ทานทุกวันนั่นแหละนี่นี ที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยต้องการอยากแกรู้ว่าเอออะไรนี้ทั้งหมดเหล่านี้พุทธโอวาทบอกไว้หมดนะคําสอนบอกไว้หมดว่าคนบางคนให้แบบนี้ก็มีให้แบบนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เขาเรียกว่าให้เพราะความลําเอียงเพราะรักแต่บางคราวคนคนเดียวกันนี่แหละลูกงองแงไม่ยอมตื่นทุกทีที่จะไปโรงเรียนเคยเป็นไหมหล่ะบางทีแทบจะล่ า, ลากออกจากม้งอ่ะบางทีสามีไม่ยอมไปทํางานทุกทีแทบจะล่ า, ลากออกจากม้งเคยไหม รีบตือนเรียกมาก็เ ร, าเรียกมาเบสเซ็ตก็เอารีบกินถ้าจะรีบไปโกรธไหมตอนนั้นนะ่ะโกรธมีการหยิบอาหารยื่นให้ไหมนั่นแหละยื่นไม่ถึงแม้จะบอกว่านูนะ่นน่ะวางกระโตอ่ะแต่มันหยิบมาก่อนแล้วรีบไปกินถ้ได้รีบไปโรงเรียนนั่งโกรธแล้วตอนนั้นนะ่ะเป็นโทสาธานังเข ย, ย่ายางจริงเลยมันนี่มันเรื่องชีวิตจริงของเรานะั่นเนี่ย อีกกล่มหนึ่งก็ให้ด้วยความไม่รู้เหตุและผลก็ถามว่าทำไมถึงทำอาหารให้ลูกทำไมต้องซื้อเสื้อผ้าให้ลูกทำไมต้องหาน้าเย็นๆให้ลูกก็ ม, ม, มันหน้าที่อะไม่รู้จะเป็นหน้าที่คนเขาก็ททำกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นหน้าที่ยังไงไม่รู้หรือไม่ให้อาหารแกลูกก็กลัวชาวบ้านก็ว่า ไม่ขับรถไปส่งโรงเรียนถึงโรงเรียนก็กลัวชาวบ้านก็จะว่าใจไม่อยากทำหรอกกลัวพ่อว่ากลัวแม่ว่ากลัวสามีว่ากลัวไหมล่ะเห็นไหมก็คือพยะทานังเนี่ยให้เพราะกลัวให้เพราะกลัวใช่ไหมน่ะหรือที่เราทำอย่างเงี้ยให้ลูกให้สามีให้พ่อแม่ก็ตามประเพณี ก็ตามวงตระกูลเราทำกันมาอย่างนี้ก็เลยต้องให้แบบนี้ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเรอเป็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วมีสักคนไหมคิดว่าเออทำอาหารให้สามีทำอาหารให้พ่อแม่จะได้ไปเกิดได้สุขตีโลกสวรรค์มีบางคนก็คิดอย่างนี้ก็มีแล้วทำอาหารให้ลูกแล้วมันสบายใจซื้อเสื้อผ้าให้ลูกแล้วสบายใจซื้อเสื้อผ้าให้สามีแล้วสบายใจ ใช่ไหมสามีก็เหมือนกันเวลาซื้อเครื่องประดับซื้ออะไรให้ภรรยาแล้วก็สบายใจทำไมถึงสบายใจมันจะได้ไม่บน่นแต่กัน บ, บ่นอยู่นั่นแล้วบน่นซื้อให้แล้วก็สบายใจอันนี้เป็นทานไหมเป็นแต่เขาเรียกเป็นสมนัตทานังให้และสบายใจเข้าใจยังตอนเนี้ย ทั้งหมดเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมจริงไหมแบบเนี้เห็นไหมเอาแล้แต่เนี่ยมองเห็นแล้วพุทธโอวาทก็บอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบางคนให้แบบลำเอียงเพราะความรักบางคนให้แบบลำเอียงเพราะความโกรธบางคนก็ให้แบบลำเอียงเพราะความไม่รู้เขานี่แหละมังงงก็ให้ทานแบบกลัวบางคนก็ให้ทานตามประเพณีตามปู่ตายายายทํากันมาบางคนก็ให้ทาน หวังสุคติโลกสวรรค์บางคนก็ให้ทานแล้วมันสบายใจหนึ่งถึงเจ็ดนี้มีอยู่ในโลกก่อนหน้าที่พระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาหรือหลังจากพระเจ้าจะปรินิพานไปแล้วเขาก็ให้กันอยู่เจ็ดอย่างนี้แหละแต่การทำในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่แท้จริงเห็นไหม ต่นี้เราจะเข้าสู่พระรัตน a ไตรเราก็ฟังพระ t h a ไตรคือพุธรัตนะพระองค์ว่าอย่างไงสิ่งที่ถูกต้องก็คือพระธรรมรัตนะก็แจกแจงให้ดูแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้เป็นการให้ที่ยังไม่บริบูรณ์ยังต้องรอรับการแก้ไขพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นชัดเจนไหมถ้าเราไม่เข้าถึงพระ t h a n a ไตรเราจะมองแยกแยะออกไหม ออกไม่ออกเจดอย่างนี้เราจะแยกไม่ อ, ออกเลยเราก็จะอยู่กับความมืดความไม่รู้ความเข้าใจผิดการปฏิบัติผิดอยู่ลำไปพระเจ้าก็เลยมาบอกประการที่แดจิตตะรังการาทานังการให้ทานเพื่อประดับตกแต่งจิตปงแต่งจิตเข้าไปสู่ศีลเข้าไปสู่สมาธิเข้าไปสู่ปัญญา ประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อพัฒนาไปสู่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อไปสู่ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญานี่ไงนี่งไงพระเถรโอวาสบอกโอ้จะทำอย่างนี้แปลว่าบุคคลนั้นเข้าถึงพระรัตนตรยัย ไม่ใช่แค่พูดถึงทานศีลและภาวนาด้วยนะทีนี้เอา้าให้ยังไงให้ยังไงที่จะพัฒนาเลยจากเงื่อนไขเจ็ดข้อเข้าสู่ข้อที่แปดอา้าอยู่ที่บ้านเอา้าใครมีโรคยกมือขึ้นดิโอ้โหมีเยอะเลยเอา่ามีสามียกคือมือ โอ้บางคนมีลูกไม่มีสามีนะไปเอาลูกคนอื่นเขามาเลี้ยงอะ่ะใช่ไหมล่ะบางทีจะมาถามโยมผู้ชายใจอามาจิตาบอกว่ามีลูกกี่คนเขาก็จะบอกอ๋อมีห้าคนครับมีแม่กี่แม่บางคนก็บอกสามบางคนก็สองบางคนก็บอกหนึ่งสรุปก็คือตรงนี้อ่ะที่พูดอย่างนี้ก็ต้องการว่าเออ ก, กลับไปเนี่ยตอนเย็นนี้กลับไป ก็ไปทำอาหารหรือซื้ออาหารที่จะไปให้ลูกให้สามีให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเอาละทตเนี้ยเราจะอยู่ในเงื่อนไขเจ็ดอย่างไหมหรือจะพัฒนาตนัวเองได้จริงๆต้องฝึกไหมก็ต้องหนึ่งเอาละเราต้องการจะประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตของเราไปสู่ศีลสมาธิปัญญาสรุปก็คือต้องการประดับตก อกแต่จิตปุ้งแต่งเจวปสูเมตตาเห็นไหมต้องมีความรักนึกที่ลองนึกนึกถึงเรารักลูกไหมเนี่ยรักแบบไหนรักแบบเมตตาหรือรักแบบตัณหาฮเออตัณหาก็รัก่ะสิเมตาก็รักไงเวลารักพ่อเนี่ยรักแบบตัณหาหรือรักแบบเมตตาแยกออกไปแล้วเอางี้ ทารักแบบตันหาคือรักแบบยึดยึดติดยึดแบบไม่ปล่อยวางยึดมั่นถือมั่นรักด้วยแต่ยึดมั่นถือมั่นด้วยไม่ยอมปล่อยวางให้สังเกตนะถ้าเรารักใครแบบตันหาแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนไปมันจะเกิดโทสะเราจะโกรธง่ายที่สุด คนคนั้นน่ะเขาทำอะไรผิดนิดเดียวก็โกรธทําอะไรผิดนิดเดียวก็โกรธนั้นรู้เถอะว่าความรักก่อนหนะ้านั้นเป็นตันหาไม่ใช่เมตตาเพราะเมตตาเนี่ยเขาจะไม่โกรธโอ้ชักยากนะเนี่ยจริงๆได้พูดเรื่องเมตตาเนี่ ย, ยากนะเนี่ยใช่ไหมอามาเคยยกตัวอย่างว่าเรารักถามยศผู้ชายบอกรักแม่ไหมรัก รักพ่อไม่รักรักแม่ไม่รักรักแล้วปรารถนาดีหวังดีไม่ใช่ปรารถนาดีหวังดีเอาละถ้าเราไม่อยู่มีคนขับรถส่งแม่เราทุกวันทุกวันเนี่ยเราชื่นใจมโอ้โหชื่นใจมากเห็นไหมเราชื่นใจมากเอารักภรรยาไม่รักแต่เราไม่อยู่มีผู้ชายคนนึงขับรถส่งภรรยาเข <c oughs> <c oughs> าบอกโอ้โหไม่ไหวเลยก็วใจจะขาดไ <c oughs> อ้ยังงี้ย่างเงี้ <c oughs> ย พอมองนี้ก็เลยโอ้ยตัณหากับเมตตามันคล้ายกันนะไอ้ตัณหาเนี่ยมันยึดมันยึดเ อ, อื้อความรักที่เป็นไปกับเมตตาจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนที่มันดําริโดยการไม่โกรธโดยความเมตตามีความรักความปรารถนาดีแต่ให้สังเกตดูนะตัวเมตตาเนี่ยเมื่อความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปทําลายเลย ทำลายความโกรธด้วยทำลายความขัดเคืองด้วยเวลาเมตตาเกิดขึ้นแล้วเมตตาเนี่ยนะกายก็สะอาดวาจาใจก็สะอาดสังเกตดูอ๋อพอเรามองจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเขาเรียกว่าก็เลยเป็นเหตุใกล้ใกล้ชิดทำให้เมตตาเกิดได้ง่ายทีนี้เมื่อเราได้รักใครเมตตาใครแล้วเนี่ยถ้าสิ่งนั้นแปลเปลี่ยนนะเช่นว่ารักลูกเนะี่ยถ้าลูกดือ้อ ก็ก็ประคับประคองด้วยการที่พยายามบอกกล่าวแต่จะไม่บอกด้วยความเครียดความโกรธนะจะไม่บอกด้วยความเครียดความโกรธแต่ถ้าบอกอย่างไรเบิยดเสียแล้วลูกก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือปรารถนาหรือคิดก็ไม่โกรธกลับกลายเป็นความคิดว่าโอ้เราได้ทำสภาพใจที่เป็นไปกับเมตตาแบบแข็งแรงแล้ว คือสิ่งดีๆงามๆเราได้ทําเต็มที่แล้วเหมือนเราสอนนักเรียนเนี่ยสอนเด็กนักเรียนเนี่ยนะเรามีความรักความปรารถนาดีต่อเด็กแล้วก็ทั้งระดมในการทำงาน<ม>แต่ถ้าหากว่าเด็กนั้นไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังก็ไม่โกรธเพราะเราไม่ได้ยึดนี่แต่เรากลับรักษาสภาพใจของเราให้เป็นไปกับเมตตาให้สังเกตดูด้ความดําริเนี่ยดําริในการที่จะไม่เบียด ด, ยดําริในการที่จะเมตตาเขาเนี่ยไม่พยาบาทเขาเนี่ย ไอความดำบลีนี่เป็นคุณธรรมที่ภายในแต่เวลาแสดงเมตตาออกจริงๆที่จะให้คนอื่นเห็นที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมน่ะมันออกมาทางกายเรียกกายกรรมที่เป็นไปกับเมตตาแล้วออกมาจากคาพูดพูดก็พูดด้วยเมตตามีความละปรารถนาดีและเ อ, อื้อโทษฉะนั้นเวลาเราไปทําอาหารให้กับพ่อแม่ทั้งหลายเหล่านี้ยในขณะทําไปจะเกิดความสุขจะไม่เครียดเลยมีความลกความปรารถนาดีเกิดขึ้น แล้วก็ทำอาหารไปได้วยใจที่มุ่งจะให้มุ่งที่จะสละมุ่งที่จะดูแลจะรักษาให้แม่ได้กินอาหารดีๆให้ลูกได้กินอาหารดีๆให้สารมีหรือบุตรหรือคนเกี่ยวข้องได้กินอาหารที่ดีๆเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องการพัฒนาเลยคุณภาพของจิตใจนะ่ดีขึ้นมีเมตตาชัดเจนขึ้นมีความรักความปรารถนาดีความเอือ้อทอนชัดขึ้น ที่สุดจริงๆเมื่อทําทอาหารไปวางไว้เบ็เสร็จพลปรากฏไม่มีใครกินอาหารเราเลยชื่นใจไหมเมตตาจะชื่นใจที่เราได้ทำํำอย่าลืมนะจะชื่นใจมากแต่ถ้าบอกว่ากลับมาตอนเย็นเราทําอาหารวางไว้เสร็จกลับไปตอนเย็นเห็นอาหารบูดหน้าบูดไหมไม่ใช่บูดแต่อาหารแล้วหน้าก็บูดแล้วแต่นี่เนื้อหน้าก็บูดนะข้าวนะข้าเริ่มถามนะพอกลับมายังไม่ยอมล้างจานน้วยนะกลับมาเบ็ดเส็จมานี้ มารายงานตัวหน่อยสินี่ยทำไมไม่กินไม่หิวครับทำไมไม่หิว <c oughs> นี่เมตตาพหอย่างเงี้ยเป็นเมตตาวิาจีกรรมไมไม่ใช่นี่แสดงให้เห็นชัดว่าเมตตาไม่ใช่ไปหวังแต่เมตตากายกรรมวจีกรรมเมตตามโนกรรมริงให้จิตที่คิดจะให้เหมือนเราอาหารให้พ้านิยมถ้าเป็นเมตตาจริงๆถ้าเป็นการสละขาดจริงๆนะ ถวายท่านไปเบียเสร็จแล้วท่านรับมาแล้วเนยะถ้าท่านไม่ฉันโกรธไหมโกรธไม่โกรธถ้าสราขาดไหมเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าหากว่ายมถวายามาเนี่ยเอามาไม่ฉันกก เ, เนี่ยโกรธไหมเอางี้ทํานไม่โกรธนะแล้วพอเอามารับเเสร็จเอามาก็โยนทิ้งต่อหน้าโกรธไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม นี่เราไม่สลาขาดนี่อาหารนั้นเป็นของเป็นของพระหรือยังแล้วเราทำไมยึดล่ะยึดยึดทำไมฮะไม่ใช่ตั้งใจที่จะให้ก็พอทำไมตั้งใจที่จะให้ฉันก็ถูกแต่ถ้าท่านไม่ฉันเป็นเรื่องของท่านเอาถ้าไม่ถูกกระโรคท่านล่ะแล้วนี่แหละเป็นที่มาโอ้โหมาเริ่มหนักใจตรงไหนืหอมั้ย บางคนเนี่ยนะสามีตายไปเนี่ยชอบแกงหน่อไม้ก็จะทำแต่แกงหน่อไม้ถวายพระบางคนก็ชอบปลาก็จะทำแต่ปลาถวายพระนี่ชอบส้มตำก็จะทำส้มตำถวายพระแล้วตนเองชอบอาหารอะไรก็คิดว่าเออให้อาหารเนี่ยตนเองจะได้ไปกิน อย่างนี้เนี่ยเปนไรความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องตามพุทธโอวาทไหมหนักไปกว่า น, นั้นอะไรรู้ไหมอีกคนหนึ่งสามีชอบกินเหล้าเข้าไปขอร้องพระช่วยท่านช่วยกินเหล้าหน่อยเถอะพัวสามีไม่มีเหล้ากินในพบนะ้นโดนไปกันใหญ่ไหมเงี้ยไปใหญ่แล้ว ี่ไงคือความเข้าใจที่ไม่ไม่เด็ดขาดเพราะไม่ถูกต้องตามพุทธโอวาสเรามีหน้าที่ให้อะถูกต้องแล้วแต่เขาจึงบอกว่าหนึ่งให้ด้วยศรัทธาสองให้ด้วยนอบน้อมสามให้ถูกกาเวลาสี่ให้สละขาดให้ขาดจริงๆนะใจไม่ยึดติดไม่หวงแหนทำหน้าที่จบแล้ว เหมือนการเวลาเราให้กันลูกก็เหมือนการทําหน้าที่เสร็จบริบูรณ์เสร็จเสร็จแล้วแล้วบอกคุณภาพของอาหารด้วยว่าดีอย่างไรเหมาะสมแก่คุณภาพของร่างกายอย่างไรกินไปแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรรักษาโรคอย่างไงบอกไปหน้าที่ของเราการพารนาทุกคําพูดเป็นผู้สนเพราะเราพูดด้วยเมตตาวจีกรรมพูดด้วยเมตตาที่เป็นไปกับศรัทธาด้วยพูดด้วยวจีกรรมที่เป็นไปกับศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัย การพารนาคุณของอาหารเป็นเรื่องของเราแต่เรื่องจะฉันหรือไม่ฉันจะกินหรือไม่กินเป็นเรื่องของผู้รับแต่ไม่ใช่ให้แล้วไปบังคับเขาอันนี้นเป็นอัตรามันเป็นการบงการเข้าใจอย่างไม่เป็นทานกุศลที่บริบูรณ์เข้าใจอย่างเข้าใจทุกคนไหมเข้าใจไหมแบบเนี้ย มีโยมคนนึงเอาอาหารมาถวายตอนนั้นในฝนก็ตกออกมาก็รับรับไปเสร็จเป็นปินโนนะถือถือเอามาก็จะลม้มยอมก็ล้องล้องมหมดท่านเดี๋ยวหกหมดมาก็หารมาถามไอ้โยม น, นี่ถวายได้ยังถวายแล้วนี่ของใครของท่านเน่ยงั้นเอามายโยนทิ้งนะเอ้ยไม่ได้โยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ย นี่ไงว่าทานกุศลเป็นยังไงเนี่ยแปลว่าแปลว่าไม่ขาดเอาไปฝึกคิดให้ขาดจริงๆเวลาทําอาหารเบดเสร็จให้ลูกต่อไปจะให้ขาดหรือไม่ขาดเออให้ขาดเลยนะให้พิจรารณาต้องบอกคุณไม่ใช่ว่าให้ขาดแบบโทสะโทสะก็ขาดนะอย่าลืมนะโทสะก็ให้ขาดให้แล้วไม่เสียดายบอกเอา้ามาไปกินซะ นเนี่ยให้เราไม่สนใจเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ให้ในความนอบน้อมให้พารณนาคุณอาหารบอกลูกเนี่ยนะอาหารนี่ดีเป็นประโยชน์แก่ลูกมากลูกกําลังจเจริญเติบโตเหมาะสมที่จะกินอาหารประเภทนี้เมื่อกินไปแล้วเบ็ดเสร็จจะทําให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็สติปัญญาดีด้วยแล้วการกินอาหารเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้กินให้ถูกต้องตามเวลานะจะได้ไม่เป็นโรคกระเพาะพารณานาเบ็ดเสร็จบอกรายละเอียดเป็ดเสร็จ เอาวางก็ว่าไม่กินเรื่องลูกไม่เคยเสียใจเลยกลับมาอาหารยังเหลือก็โอ้ชื่นใจที่ได้ทำหน้าที่แล้วเออไม่ใช่ที่ได้เจริญกุศลเต็มเต็มรูปแบบแล้วโอ้ต้องพัฒนาเยอะไหมเนียถึงจะคิดถึงขนาดนี้ได้เยอะไม่เยอะแต่ไม่ใช่ว่าคนเจริญกุศลจะปล่อยปล่านเลยนะก็มาก็มาบอกเขาใหม่ลูกทำไมไม่กินอาหาร แต่ไม่ใช่ลูกทําไมไม่กินอาหารเ <c oughs> นี่ยเสียงเริ่มแข็งเลยใช่ไหมเอาบอกเหตุผลมาเนี่ยบอกมานะแต่มีไม้อยู่วางใกล้ๆดยบอกเหตุผลมามันก็รู้แล้วงานนี้โดนแน่ถ้าบอกเหตุผลตามใจเขาก็ประมานี้ใก็เลยเริ่มหัดโกหกแล้วไม่หิ ว, ว่ะแม่มันก็เริ่มโกหกแล้วยังไม่แท้มันหิวมันไม่ชอบอาหารแบบนี้แท้จริงเขาหิวนะเขาก็เด็กก็โกหกไปทีเแต่เนี้ย แล้วก็ไม่ได้ความจริงจากลูกเท่าไรแคร์ก <'t> <Bye. S 1> ันไปแต่เนี่ยงานเนี่ยใช่ไหมเราเออเนี่ยตรงเนี้ยสรุปแล้วการว่า <c oughs> เห็นไหมว่าจริงๆแล้วในในกระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถให้ทานทุกวันได้ทุกวันด้วยทีนี้ให้สังเกตไหมแต่ก่อนเราก็นึกว่าให้ลูกไม่เป็นทานกุศลให้พ่อแม่ไม่เป็นทานกุศลให้เพื่อนบ้านไม่เป็นทานกุศลอะไรตั้ เราถือว่าการให้ไม่เรียกว่าทานกุศลหมดเลยอะทั้งๆที่มีหยิบยื่นของให้ใช่ไม่ใช่ไปไปซื้อของตามร้านค้าไหมไปซื้อไหมเป็นทานกุศลไหมเป็นไม่เป็นเวล า, าไปซื้อของปุ๊บเนี่ยอยงจริง ของที่เราซื้อจริงๆถูกหักภาษีไหมกี่เปอร์เซนต์ไม่จามเงินแม่นเลยถามว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นการให้ไหมให้หรือไม่ให้เป็นทานไหมไอ้ตัววัตถุนั้นเป็นทานกุศลแต่ใจจริงๆของพวกเรานี่ยเป็นไหมนี่ไงต่อไปน้องให้เป็นทานกุศลได้ไหมแต่ต้องไม่ให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในเจ็ดนะเพื่ออะไร เพื่อประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่ศีล ส, สมาธิปัญญาใช่ไหมลูกโอโ้โหถ้าฉลาดนีเรื่องทานกุศลนี่เราจะยิ่งใหญ่มากเลยเสียภาษีทุกปีไ้ยเนี่ยเสียไ้มไม่จริงเสียภาษีไหมต้องเสียภาษีที่ดินสรุปแล้วก็คื อ, อ, อห้องมดเวลาแล้วเขาไป แม่ที่แรกดูว่าใช่ท่านมหามาสรุปมันเนี้เลย ม, มองไม่มีไม่มีมมนาฬิกาให้นี่เนี่ยโทษไม่มีแค่นาฬิกามาวางไว้หมดเวลาเลยตอนช่วงบ่ายก็แยกกลุ่มกันนะเราสรุปตรงนี้ก็พยายามให้เข้าใจนะว่าเออพุทธโอวาส การเข้าถึงพะ ร, ราตนาตรัรพะราตนาไตรเนี่ยคนที่มีพระราตนาไตรอยู่ในกระแสของความคิดแม้การให้ทานก็ประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตของตนเองนั้นน่ะพ้นจากเงื่อนไขทั้งเจประการเข้าสู่ประการที่8ได้แม้การรักษาศีล ก็สามารถพัฒนาพ้นจากเงื่อนไขทั้งเจ็ประการเข้าสู่ประการที่8ได้คือประดับตกแต่งจิตตนเองก็ไปสู่ศีลสมาธิปัญญาแม้การเดินภาวนาหรือพัฒนาสภาพกุศลทั้งหลาย<ม>ก็พ้นจากเงื่อนไขเจ็ประการดังกล่าวเข้าสู่ประการที่8ดเห็นไหมว่าบุคคลที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้ามีพุทธโอวาทเป็นเครื่องนําทางเป็นที่ไปเนี่ย ในเบื้องหน้าก็จะสามารถใช้ชีวิตต่อสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจกําจัดความไม่รู้กําจัดโมหะกําจัดความมืดบอดในใจได้ฉะนั้นชีวิตที่จะพัฒนานี่นะระบบการศึกษาเข้าไปสู่ศีลสมาธิปัญญาที่จะพัฒนากระแสชีวิตของเราเนี่ยจะนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยบอกว่า ไตรสิกขาก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาของชีวิตไตรสิกขาเนี่ยเป็นวิชาของชีวิตเป็นวิชาที่จะสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองเนี่ยเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องดีงามประเสริฐและเป็นอิสระจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้เพราะว่ากระบวนการศึกษาของเราเนี่ยมันผิดพลาดขออภัยนะของของโลกเนี่ย ไม่เดินตามกระบวนการศึกษาของพระศ า, าสดาของพระเจ้าวางหลักไว้พระเจ้าวางหลักว่าระบบทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวหลักการตัวเนี้ยถ้าเอามาประชุมไว้ในกระแสะชีวิตแล้วเนี่ยจะชักนํานําพากระแสะชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน พราะเป็นการนํากระบวนการกระแสชีวิตของตอนเองเนี่ยให้เข้าสู่ความเป็นอิสระจากกิเลสือราคาโทสาโมหะไม่เป็นทาตของอํานาจของความฝ่ายต่ําทั้งหลายชีวิตก็จะเข้าสู่ความดีงามเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงเขาเรียกเป็นสังคมที่ยั่งยืนจริงๆเป็นสังคมของความเป็นไปด้วยความเอื้อทอนกันอย่างแท้จริงสภาพกิเลสหรือสภาพของความความไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่กล้ามกลายกระแสชีวิตของสัตว์โลก แต่ทุกวันเนี่ยกระบวนการศึกษาของเรามันมีปัญหามีปัญหาก็คือว่าเพราะเราไปรับระบบการศึกษาจากวัฒนธรรมนอกๆทั้งหลายเราเนี่ยเข้ามาเบียดปนไว้มากกระบวนการศึกษาของเราที่เป็นไปกระสินสมาธิปัญญาที่เป็นไปกับเมตาามตากรุณาเมตตาเบขาก็ถูกลบเลือนไปทั้งๆวิชาการที่จะหากินเนี่ยวิชาการที่เกี่ยวกับการที่เราจะอยู่ในโลกใบเนี้ยทางโลกมาไปเสร็จแล้วไม่ว่ากันเนี่ย แต่กระบวนการแห่งการคิดกระบวนการแห่งการพัฒนากระบวนการแห่งการที่จะพัฒนาคุณภาพของจิตใจเนี่ยหรือกระแสะชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราต้องเอาแกนหลักจริงๆก็คือคําสอนคือเกี่ยวกับเรื่องของพระราชนตรัยมาเป็นตัวตั้งถ้าทําได้อย่างนี้จริงๆชีวิตก็จะประสบความสําเร็จได้จริงเอาละในช่วงเช้านี้ก็พอสมควรเกลเวลาเราจําประเด็นปัญหาเขาไว้พอช่วงบ่ายเขาจะมีการแยกกลุ่มให้คณะพระ ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์มหาบุนาจแล้วก็มีท่านอาจารย์มีชัยก็มีท่านอาจารย์อาคิต์นะสามองค์ท่านเป็นพระที่มีภูมิความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะทุกประเด็นที่เราสงสัยก็สอบถามท่านเสนามาก็มาให้ภาพกว้า ง, งๆรวมๆในกรณีาการที่ว่าจุดหลักตรงนี้ ส่วนว่าในรายละเอียดปีกย่อยนะั้นเราต้องไปเจาะประเด็นนะในรายละเอียดนะเป้าหมายทั้งหมดก็คือปรารถนาให้ครูที่โรงเรียนบรรจงรัฐเนี่ยได้พัฒนาศักยาภาพชีวิตของตนเองเข้าสู่ความดีงามนะอขอโมทนาณนะที่นี้ก่อน